อาจริิศพรทุกๆ ท, ท่านฟังหลวงพ่อแรกๆนะเหมือนเข้าใจหรอกแต่ว่าเข้าใจยากบางคนใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกโดยเฉพาะคนที่เคยเรียนกรรมฐานมาเยอะๆจนะเข้าใจยากส่วนใหญ่ที่เคยฝึกกันฝึกเพ่งฝึกควบคุมตัวเองให้ดูดี มุ่งเอาดีบางคนก็มุ่งเอาความสุขปฏิบัติธรรมอยากมีความสุขบางคนมุ่งเอาความสงบนั่งสมาธิให้ใจมันนิ่งๆสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะั้นไม่ได้มุ่งไปที่ความสุขความสงบความดีเพราะความสุขเป็นของไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงความดีก็ไม่เที่ยงดีได้ก็ยังชั่วได้อีก สิ่งที่หลวงพ่อพยายามสอนให้พวกเราปฏิบัติคือเข้าถึงความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความสุขความสงบความดีมันตายอยู่มันแปรปรวนได้อีกการจะเข้าถึงความจริงได้คนจริงเท่านั้นแหละถึงจะเข้าถึงความจริงได้คนใจไม่ถึงคนโลเลหล่อแหละเข้าถึงความจริงไม่ได้หรือบางคน กลัวความจริงสุดท้ายซ้ำไปถ้าภาวานาไปถึงช่วงหนึ่งนะอย่างบางคนพอแยกธาตุแยกขันได้นะเริ่มเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรากลัวเลยตกใจบางคนนั่งสมาธิไปเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกทนไม่ได้นะเลิกเลยที่เราก็กลัวความจริงแล้วกลัวผีที่อื่นนะในตัวเราก็มีผีอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกัน ผีโครงกระดูกก็มีนะผีหลอกต่างๆก็มีอยู่ในใจเราเนี่ถ้าเรารักความจริงเรามาเรียนรู้วิธีที่จะรู้ความจริงในที่สุดใจก็รู้ความจริงจนได้ถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจตัวเองแล้วใจมันจะคลายความยึดถือออกไปมันจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา เริ่มต้นส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราอยู่นี่เรียกว่าเห็นความจริงยังไม่รอบด้านรู้ความจริงบางด้านเท่านั้นมหัดภาวนาต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็เห็นความจริงที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปอีกแต่ทั่งจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วตัวเราไม่มีสิ่งที่เป็นตัวเราแค่ความรู้สึกหลอกๆเท่านั้นเองเห็นสัญญาที่หมายรู้ผิดๆ เรียกสัญญาวิปลาสเป็นความคิดที่ผิดๆเรียกจิตตะวิปลาสเป็นความเชื่อความเห็นที่ผิดๆ ผ, ผิดเรียกว่าทิฏฐิวิปลาสมีแต่เรื่องผิดๆเท่านั้นเลยเราไม่เห็นความจริงในความเป็นจริงแล้วตัวเราไม่มีร่างกายนี้เป็นตัวเราที่ไหนเรายืมจากโลกมาใช้เริ่มต้นยืมเซลล์ของพ่อแม่มาคนละครึ่งมาสร้างตัวเองขึ้นมา อาศัยอาหารอาศัยน้ำนาอาศัยอากาศของโลกยืมวัตถุของโลกมาสร้างร่างกายจนตัวใหญ่ขึ้นมานี้ถึงวันหนึ่งก็คืนเจ้าของไปตัวจิตตัวใจเรานึกว่าเป็นตัวเราที่แท้จริงที่จริงก็เป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งเป็นธาตุรู้ไม่มีเจ้าของเหมือนกันแต่ว่าความหมายรู้ผิดผิดก็ว่าธาตุรู้เป็นตัวเราเป็นของเรานะเกิดความคิดที่ผิดเกิดความ เห็นที่ผิดแต่เป็นว่ามันมีเราขึ้นมาหมดเลยร่างกายนี้คือเราจิตใจนี้คือตัวเราพอมันเป็นตัวเราเราก็รักมันหวงแหนมันถ้ามันแปรปรวนขึ้นมาเมื่อไรเราเสียดายมันร่างกายยังไงก็ต้องแปรปรวนอยู่ในโรงพยาบาลนี้จะเห็นชัดเลยแล้วคนรุ่นเรานี้จะเกิดในโรงพยาบาลแล้วส่วนมากเลยนะก็ ม, มาตายในโรงพยาบาลเอามาคืนที่เดิมกลับมาที่เก่า เรียกว่าสูขสุดกับสู่สามัญหรือเปล่าไม่ใช่เรา ก, ก็กลับไปเริ่มเกิดใหม่อีกไม่ไม่จบไม่สิ้นหรอกถ้าเราหัดภาวนานะวันหนึ่งปัญญามันเกิดเราเข้าถึงความจริงเบื้องต้นความจริงเบื้องต้นคือเห็นว่าตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีนะสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราคือรูปนามกายใจนี้รูปหรือร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา เป็นวัตถุของโลกยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งก็ต้องคืนโลกไปไม่ว่าเราจะรักเราจะห่วงแหนแค่ไหนถึงเวลาก็ต้องคืนเขาถานอมอย่างดีดูแลอย่างดีพิเศษแค่ไหนถึงเวลาก็ต้องปล่อยเอาไว้ไม่ได้จิตใจนี้ก็เหมือนกันเราเห็นว่ามันเป็นตัวเราเราก็พยายามหาความสุขมาให้มันหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสที่น่าชอบใจมาให้มัน ให้มันมีความสุขพาไปดูหนังฟังเพลงไปท่องเที่ยวไปกินของอร่อยหาแฟนสวยๆอะไรเงี้ยเราพยายามปลนเกลือให้จิตใจมีความสุขแต่จิตใจมันเสพอารมณ์ที่มีความสุขนะได้แว บ, บเดียวเองเดี๋ยวความสุขก็เจือจางไปอย่างจีบสาวสักคนนะั้นได้มาเป็นแฟนเรามีความสุขนะหรือถ้าแต่งงานแล้วมีความสุข อยู่ไปอยู่ไปก็เจือจางลงมันเฉยๆอยู่หลายๆพีเป็นอนะุเบกขาถ้าคู่ไหนเป็นอุเบกขาก็ถือว่าบุญนะบางคู่เป็นโทสะรู้สึกว่าไม่น่าแต่งด้วยเลยเนะมื่อไหร่จะตายสัทนะีบางคนก็ว่าเมียนะผู้หญิงก็ว่าสามีเป็นไอ้แกนะ่ลืมไปว่าตัวเ็เป็นอีแก่นะผู้ชายก็ดินทา ม, มีย พูดมากกินจุดูอย่างกับหมาอะไรนะ <c oughs> อะไร <c oughs> แก่ง่ายตายยาก น, นะว่าเรื่องอุตสาหะอะไรที่เพลิดเพลินพอใจมาสนองให้จิตใจมีความสุขมันอยู่ได้ชั่วคราวมันก็ไป อ, อยากอย่างอื่นอีกเพราะใจมันมีธรรมชาติอยากไม่เลิกอยากรวยล้านหนึ่งได้ล้านหนึ่งก็อยากได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากได้ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านหมื่นล้านยังไม่พอเลย อยากได้อย่างอื่นต่อไปเรื่อยๆเนื้อใจมันไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มมันมองไม่เห็นหรอกว่าใจมันไม่ใช่ตัวเราถ้ามันเห็นได้ว่าใจไม่ใช่ตัวเราความดิน้นรนทุนรนทุนรายเนีน่ยหายไปเยอะเลยไม่รู้จะดิ้นทำอะไรมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราจะต้องกังวลอะไรนักหนากับความแก่ความเจ็บความตายจิตใจไม่ใช่ตัวเราจะต้องดิ้นรนอะไรนักหนาในการเที่ยวหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์ กระทั่งความทุกข์เองก็อยู่ชั่วคราวไม่มีหรอกความทุกข์ตะวันความทุกข์ผ่านมาแล้วความทุกข์ก็ผ่านไปในใจที่ฉลาดขึ้นมานะก็ไม่ค่อยหวั่นไหวไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้หรืออะไรก็ตามนะมันกระทบเรามาได้ที่กายที่ใจเท่านั้นเองถ้าเราไม่หวั่นไหวว่ากายจะเป็นยังไงไม่หวั่นไหวว่าจิตจะเป็นยังไงไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนเข้ามาได้เลยโลกก็อยู่ส่วนโลกไป ถ้าเมื่อไหร่ปัญญาเบื้องต้นเกิดขึ้ น, นก็เห็นว่าตัวเราไม่มีความแก่ความเจ็บความตายมันอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นเองความพลัดพรากจากสิ่งที่รกักการประสบสิ่งที่ไม่รกักความไม่สมปรารถนาทั้งหลายมันก็เกิดที่ความรู้สึกของใจเท่านั้นเองก็แค่ความรู้สึกความรู้สึกเหมือนภาพดวงตาเหมือนผีหลอกเหมือนพยับแดดเหมือนฟองน้ํามีแล้วก็อยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปอีกละนี่เป็นปัญญาเบื้องต้นนะ แค่เบื้องต้นเท่านั้นแหละชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนมหาศาลเนี่เป็นภูมิธรรมที่พระโสดาบันท่านเห็นนั่นเห็นแล้วตัวเราไม่มีสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนมีแต่คองที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่การปฏิบัติธรรมนะถ้าปัญญาแก่กล้าขึ้นไอีกสุดท้ายไม่จะเห็นแต่ทุกทุกวันนี้เรายังไม่เห็นทุกเรารู้สึกว่าร่างกายนียเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง พระอรหันต์หรือพระนาคามีไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นพระอราหันต์หรือพระนาคามีรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขเวลาที่ความทุกข์มันลดลงเนี่ยก็คนทั่วไปก็รู้สึกว่าสุขแล้วแต่ถ้าเรามีสติสมบูรณ์จริงๆเราลึกรู้ร่างกายจริงๆเราจะพบว่าหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์แล้วความสุขมันจะอยู่ที่ช่องไหนลองลองหายใจออกยาวๆสิเอาให้ยาวๆเลยดูสิสุขหรือทุกข์ทุกข์กไหมเอาหายใจเข้าเลยเอาให้ยาวๆเลยทุกข์ไหมนั่งนานๆทุกข์ไหมยืนเดินนอนนานๆทุกข์ไหมนอนเรียกจริงๆแล้วความทุกข์มันบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลานะร่างกายเนี้ เราหายใจออกมันเกิดความทุกข์เราก็แก้ทุกข์ด้วยการหายใจเข้ามันหายใจเข้าเราทุกข์เราแก้ทุกข์ด้วยการหายใจออกมันนั่งแล้วทุกข์เราก็เปลี่ยนอิริยาบถมันนอนมันเดินมันยืนแล้วทุกข์เราก็เปลี่ยนอิริยาบถการที่เราคอยขยับร่างกายมันขยับหนีทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าเรามีสติปัญญาอยู่ที่กายเราก็จะเห็นว่ากายนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป ถ้าเห็นได้อย่างนี้นะจิตมันจะพลากออกจากตายมันจะไม่ใช่พลากแบบที่เราแยกขันตอนนี้นะอย่างพวกเราที่ภาวนากรหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งนะขันมันแยกได้มันเห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอนกันแต่ว่ามันยังยึดถืออยู่ถึงจุดที่สติปัญญาระดับสูงเกิดขึ้นตรงที่เห็นว่ากายนี้นะเป็นตัวทุกข์จริงๆนีเป็นปัญญาระดับกลางเองนะแค่ระดับกลางเองระดับต้นือเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา ระดับต่างๆเนี่ยร่างกายนี้คือตัวทุกข์เราเห็นว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เนี่ยความรักใคร่ผูกพันในกายมันจะหายไปเมื่อร่างกายเจ๊แก่จเจ็บเจ็บตายเนี่ยจิตไม่หวั่นไหวเลยมันจะแตกต่างกับภูมิธรรมขั้นต้นนะที่ว่ามีปัญญาเบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่เราแค่นั้นไม่ใช่เราจริงแต่ว่ายังยึดถืออยู่ยังเสียดายอยู่มันเหมือนยืมสมบัติของโลกมาใช้ยืมสมบัติของคนอื่นมาใช้แต่ไม่ยอมคืนเจ้าของยังหวงอยู่ รู้แล้วว่าไม่ใช่ของเรากายในี้ใจนี้ไม่ใช่ของเรานะแต่ห่วงไม่คืนเคยไหมยืมอะไรใครเข้ามาสักอย่างหนึ่งแล้วชอบมไม่อยากขื่นนั่นสไตล์นั่นแหละนะพระโสดา บ, บันนะครับ ถ, ถึงท่านท่าหนักขานะจะเห็นว่ากายนี้คือตัวทุกข์นี่เป็นปัญญาระดับกลางนะะนั้นเราจะเห็นได้ยังไงก็ต้องหัดดูของจริงๆไปหัดดูร่างกายหัดดูจิตใจของตัวเองดูด้วยจิตที่ตั้งมัน่นดูด้วยจิตที่เป็นกลางดูด้วยจิตซื่อ ยุติธรรมในการดูไม่ใช่ดูแบบอาคติดนะดูแล้วก็ลุ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องว่าวิปัสสนากรรมฐานส่วนปัญญาขั้นสุดท้ายปัญญาขั้นสูงจริงๆจะเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกขนะเราภาวนาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจิตเป็นตัวสุขยิ่งเป็นตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่คือตัวสุขถ้าสติปัญญาแก่รอบจริงๆจะเห็นในตัวรู้นั่นแหละคือตัวทุก จุดตั้งต้นของความทุกข์ในธาตุในขันทั้งหลายาก็มาจากไอตัวรู้นี่เองมีตัวรู้มีจิตดวงเดียวนี่แหละสามารถไปสร้างขันใหม่ได้ทั้งหมดเลยเหมือนมเมล็ดของต้นไม้นะเมล็ดผลไม้ในไพวกเนี้มีมเมล็ดมะม่วงอยู่มเมล็ดเดียวตกลงไปในดินได้น้ําได้แดนไม่นานก็งอกต้นมะม่วงออกลูกได้อีกจิตดวงเดียวนั่นแหละก็ไปสร้างขันห้าขึ้นมาได้อีกเหมือฉนั้นเวลาที่ภาวนา ตราบใดที่ยังไม่ได้สามารถทำลายเชื้อเกิดในจิตได้ยังไงก็เกิดอีกถ้าทำลายเชื้อเกิดในจิตได้คล้ายๆเราไปทำลายต้นอ่อนในเม็ดมะม่วงตายไปเลยไม่งอกอีกแล้วตรงนั้นจะทำได้นะต่เมื่อปัญญาแกกล่าจริงๆนี่มันจะเห็นเลยว่าจิตนี่คือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมถ้าเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมของจริงการปฏิบัติ พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกให้รู้ทุกข์ไม่ใช่ให้หนีทุกข์ไม่ใช่ให้ละทุกข์แต่ให้รู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์มันก็คือตัวรูปนามกายใจนี้เองแล้วก็มีความทุกข์ที่แฝงเข้ามาบ้างมีความสุขที่แฝงเข้ามาในกายในใจนี้แต่ตัวกายตัวใจนี่แหละคือตัวทุกข์ที่แท้จริงกว่าจะเห็นถึงตัวนี้ได้นะต้องภาวนากันนานต้องสู้ตายอย่างน้อยขั้นต้นต้องเอาให้ได้นะในชาติเนี้ย ถ้าชาตินี้โสดาอย่างไม่ได้แะชาติหน้าจะหวังยากเลยเพราะว่าไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนชาติต่อไปไม่รู้พระพุทธศาสนาจะยังอยู่หรือเปล่าใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะรอดแรกเต็มทีแล้วสัทธธรรมปฏิรูปเต็มไปหมดแล้วงั้นพยายามตั้งออกตั้งใจเรียนการเรียนกับหลวงพ่อนะจะสอนให้ง่ายๆเอาง่ายๆเลยเพราะว่ามีบางคนยังไม่เคยเรียนเราทําอยู่สักสามอย่างก็พอละ อันแรกเลยตั้งใจถือศีลห้าไว้เอาแค่ศีลห้าพอไม่ต้องศีลแปดศีลห้ายังถือยากเลยใช่ไหมถ้าศีลแปดเดียวก็เป็นศีลแปดเพื้อนนะมันไม่ได้ศีลแปดเท่าไหร่หรอกรักษาศีลห้าไว้รู้จักศีลห้าไหมมีอะไรบ้างใครไม่รู้ยกมือสิมีไหมไม่ต้องเกรงใจนะไม่รู้คือไม่รู้นะเรียนกันซื่อๆ阿拉ถือว่าทุกคนรู้ไม่บอกนะ รู้แล้วจะไปบอกทํำอะไรเสียเวลาไม่ต้องไปขอสีนที่ใครทั้งสิ้นเลยนะศีนอยู่ที่เจตนางดเว้นถ้าเราเที่ยวไปขอสีนอย่างเวลาพระจะเทศเราก็ชอบขอสีนแต่เราไม่ได้คิดจะงดเว้นอ่ะไม่มีศีนเกิดขึ้นเลยตัวศีนจริงๆคือเจตนาที่จะงดเว้นการทําบาปอาภูศนทางกายทางวาจาห้าอย่างนั้นแหละเงี้นเราตั้งใจงดเว้นของเราเองตื่นนอนมาก็ตั้งใจ ก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนที่กินข้าเวเย็นก็ตั้งใจก่อนจะนอนก็ตั้งใจทําไมให้ตั้งใจบ่อยๆจะได้นึกถึงบ่อยๆแค่เรานึกถึงเราตั้งใจอยู่เรื่อยๆนะอย่างน้อยก็โอกาสทําช่วมก็ลดลงแล้วละ่ะถ้านา น, านๆเจอพระทีไปขอศีลทีนะไม่ค่อยได้เจอสู้เราตั้งใจของเราเองไม่ได้วันหนึ่งอย่างน้อยสักห้าครั้งทําไมมุสลิมเขาละหมาดวันหนึ่งห้าครั้งได้ะ เราจะตั้งใจอย่ดีๆอะไรสักอย่างหนึ่งวันละห้าครั้งบ้างไม่ได้เฉรอตั้งใจไว้เผื่อว่าตื่นนอนขึ้นมาเผื่อว่าวันนี้เราจะตายทำไมก่อนกินข้าวก็ให้ตั้งใจอีกเผื่อสำลักข้าวตายทำไมก่อนนอนให้ตั้งใจอีกเผื่อนอนแล้วไม่ฟื้นขึ้นมาไม่ตื่นขึ้นมาเวลาตายไปนาะยมบาลจะได้ถามว่ามีความดีอะไรบ้างหือือศีลนี่กยมบาลเกรงใจเลยตั้งใจไว้เรื่อยๆ ว่าเราจะงดเว้นการทำบาปอาคุศลทางกายทางวาจาแท้จริงแล้วการถือศีลไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนอื่นหรอกประโยชน์ที่สังคมสงบเรียบร้อยอะไรนี่เป็นแค่ผลปล่อยได้ศีลจริงๆนะเพื่อตัวเองนะจะได้มีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นเรียกว่าศีลทำให้สู่สุขติศีลจะทำให้เรามีโภทรัพย์นะโดยเฉพาะต่อไปจะอาจเกิดอริยรัพได้ ศีลจะทําให้เราเป็นพื้นฐานให้เราไปสู่พันธิพาณส่วนศีลที่ทุกคนช่วยกันรักษานะีสังคมมันถึงจะเรียบร้อยแต่ถ้าเรามีศีลอยู่คนเดียวใช่ไหมสังคมมันไม่เรียบร้อยหรอกนะเราแค่ไม่เพิ่มปัญหาให้สังคมเท่านั้นเองดังนั้นวัตถุประสงค์ของศีลจริงๆนะเพื่อพัฒนาตัวเองนะเพื่อพัฒนาตัวเองคําสอนทั้งหลายของพระพุทธเจ้าเนี่ยมุ่งไปสู่เรื่องของทุกข์แล้วก็การดับทุกข์เท่านั้นเองนะเป็นจุดใหญ่ส่วนเรื่อง สังคมเรื่องอะไรนี้เป็นผลลอยได้เท่านั้นให้เราตั้งใจถือศีลห้าไว้นี่งานที่หนึ่งนะทําได้ไหมตั้งใจวันละหลาย ห, ห, หรอบถ้าทําได้สักสามเดือนถ้าทําได้สามเดือนนะจิตจะเกิดพลังขึ้นมาบางคนเดือนหนึ่งก็จิตมีพลังและเข้มแข็งเกิดความรู้สึกเข้มแข็งขึ้นมาแล้วทุกคราวที่คิดว่าเราถือศีลสมาธิจะเกิด จิตใจมันจะอบอุ่นจิตใจมัน จ, จะนุ่มนวลจิตใจมันจะมีความสุขสมาธิมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติได้เรียกว่าศีลานุสติเราะระลึกถึงการที่เรารักษาศีลด้วยดีเนืองเนืองเนี่ยสมาธิมันจะเกิดอัตโนมัตินี่เป็นวิธีทําสมาธิที่ง่ายๆสําหรับพวกเราหน้าตาแบบพวกเราส่วนใหญ่ทําชาญไม่ได้เอาแค่นี้ก็บุญนักหนาแล้วละ่ะงานที่สองนะที่พวกเราจะต้องทําคือการปฏิบัติในรูปแบบ ถ้าเราไม่ปฏิบัติในรูปแบบเลยเนี่ยใจจะไม่มีพลังนี้หลวงพ่อไม่ได้เรียกร้องมากว่าวันหนึ่งต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมวันละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงมากไปเพราะเราทำมาหากินเราไม่ใช่นักบวชขืนวันวันเดินจงกรมเยอะๆใช่ไหมเอาเวลาที่ไหนไปทํามาหากินไปนั่งสมาธิงุ้นๆอยู่คนเดียวเอาเวลาที่ไหนไปหากินทุกวันนี้ทํางานก็แทบจะทํางานกันไม่ทันอยู่แล้วใช่ไหม ทำงานบางคนทําธรรมดาไม่พอต้องทำโอทงานไม่รู้จักจบจักสิ้นชีวิตเหนื่อยมากเลยเฉะนั้นหลวงพ่อไม่ได้เรียกร้องว่าต้องทําในรูปแบบวันหนึ่งมากๆขอแค่สิบห้านาทีเท่านั้นนะเห็นไหมวันหนึ่งตั้งใจรักษาศีลสักหาครั้งทําในรูปแบบสักสิบห้านาทีไม่ตายหรอกแต่ต้องทําทุกวันทําให้ได้ทุกวันนะถ้าทําตอนกลางคืนไม่ไหวนั่งทีไรหลับทุกที ก็ทำตั้งแต่เช้าเช้าตื่นให้เร็วขึ้นสิบห้านาทีไม่ตายหรอกตั้งใจไว้หรือเช้าก็รีบรุกลิลุกโวนใจไม่สงบเลยกินข้าวกลางวันแล้วสิบห้านาทีก็ทําได้สิบห้านาทีเอาไปทําอะไรบ้างไหว้พระสวดมนต์คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงครูบาอาจารย์สักสองสามนาทีไม่ต้องสวดยาวจนกระทั่งหมดสิบห้านาทีนะยกเว้นแต่จะใช้การสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่แต่ถ้าธรรมดาเราก็แค่ไหว้ครูซะหน่อยนักมวยก่อนจะชกมันยังไหว้ครูเลย เราจะโชคกับกิเลสเราก็ไหว้ครูบ้างจะได้มีกำลังใจไหว้ครูเราก็นึกถึงแต่เดิมท่านก็มีกิเลสเหมือนเราแต่ท่านมีความอดทนท่านมีความเข้มแข็งท่านไม่ท้อถอยท่านพัฒนาจิตใจของท่านจนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เราก็จะเดินตามท่านไปนตั้งใจไหมนี่พอส่วนมนต์เสร็จแล้วทำไรต่อเราส่วนมนต์สักสองสามนานทีแล้วแล้วเรามาดูใจตัวเอง ถ้าหากใจเราฟุ้งซ่านนะเราทําความสงบถ้าใจเราสงบแล้วเราฝึกให้ใจตั้งมั่นถ้าใจตั้งมั่นแล้วเราฝึกแยกธาตุแยกขันธ์ถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วเราฝึกเจริญวิปัสสนาเราดูรูปนามขันธ์ห้าแสดงไตรลักษณ์งั้นเราดูตัวเองแต่ละวันในการทําในรูปแบบนะอาจจะไม่เหมือนกันวันนี้ฟุ้งซ่านมากมุ่งไปที่ความสงบก่อน เช่นใจวันนี้ไปเจออะไรที่ชอบใจนะราคาขึ้นมาเห็นสาวสา ว, สาวราคารุนแรงส่วนมนยังใจก็คิดถึงแต่เรื่องรามกโจกเปลดเนี่ยมันห้ามไม่ได้ถ้าใจมันฟุ้งซ่านมากขนาดนั้นก็ทําสมถ ะ, ะเช่นใจมันมีราคามากก็พิจารณาร่างกายของตัวเองให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามเป็นของโสโปรกโสกโครกเป็นปฏิกรูนาสุภาให้พิจารณาร่างกายของตัวเอง อย่าเพิ่งไปพิจารณาร่างกายสาวนะมันพิจารณายากมันผมมันแทนที่จะเห็นว่าโอ้ผมมันรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่สวยไม่งามกลายเป็ว่าผมของเธอสวยเหลือเกินอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นตายเลยนะหรือคนไหนขี้โมโห ว, วันนี้ใจเดือดพุดธพุทพุทตลอดเวลาคนรุ่นเราเนี่ยจะขี้โมโหเยอะนะส่วนใหญ่มาจากนรกะภูมิเดิมของเราเป็นอย่างนั้นนะใจมันจะขี้กโกรธอะไรก็โกรธอะไรก็โกรธอะไรก็โกรธ ถ้าใจมันขี้โกรธเราก็ทําสมถะด้วยการทํากลับข้างความโกรธกับความเมตตามันตรงข้ามกันเราก็เจริญเมตตาทีแรกก็บริกรรมไปเมตตาคุณนางอรหังเมตตาหรือจะบทอะไรก็ได้นะเกี่ยวกับเมตตาบริกรรมไปสบายๆนะพอใจมันสบายขึ้นมาเราก็แผ่เมตตาให้ตัวเองไอ้ตัวนี้ก็สัตว์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะไอ้สัตว์ตัวนี้ก็มีความทุกข์เยอะเลยเนี่ยเป็นสัตว์ขี่โมโห วันๆนะนมัวหัวตลอดเวลาเลยสัตว์ตัวนี้น่าสงสารมันเนี่ยสงสารมันไปนะเมตตามันใจมันจะค่อยๆ อ, อ่อนค่อยๆนุ่มสัตว์จากนั้นเราก็เมตตาคนที่เราชอบแล้วถัดจากนั้นเราก็เมตตาคนที่เราไม่ไม่ชอบไม่เกลียดแล้วขั้นแอดวานซ์เลยนะขั้นสุดยอดเลยเมตตาไอ้คนที่เราเกลียดแล้วขั้นสูงสุดจริงๆเลยเมตตาไม่มีประมาณไม่กาหนดเป้าแล้วใจมัน้งกว้างขวาง เนี่ยค่อยๆฝึกฝึกวันละเล็กวันละน้อยให้ใจมันได้พักผ่อนให้ใจมีความสุขมีความสงบทําไปเพื่อให้จิตมีเรี่ยวมีแรงมีความสดชื่นเพราะเวลาที่เราปฏิบัติทรเนีเจริญปัญญาเนี่ยจิตใจมันจะแห้งผากเลยนะมันเหน็ดเหนื่อยมากเพราะการเจริญปัญญาเนี่ยสติปัญญาเนี่ยมันแผดเผาจิตใจของเราไปด้วยมันไม่ได้เผาแต่กิเลสมันเผาใจของเราแห้งไปด้วยงั้นถ้าเราทําความสงบตามสมถะเป็นช่วงช่วงช่วงไปนะ จิตใจมันได้ชุ่มชื่นขึ้นมามีเรี่ยวมีแรงงั้นเราสังเกตตัวเองเลยวันไหนเราฟุ้งซ่านมากเราทําความสงบขี้โกรธก็เจริญเมตตาราค้ามากก็พิจารณาปฏิคูณาสุภาขี้ใจลอยขี้ฟุ้งซ่านทํำยังไงดีอาจจะหายใจออกหายใจเข้านะหายใจหรือจะหายใจเข้าหายใจออกอะไรก็เอาเถอะตามความสะดวกหายใจอย่างเดียวไม่พอเอาเพิ่มพุทธโธด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ แค่นี้ยังเอาไม่อยู่ก็เพิ่มเข้าบีอีกอย่างหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหา ย, ยใจออกโทนับสองนับเข้าไปด้วยพอใจมันเริ่มสงบนะนการนับมันจะหายไปเหลือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอสงบมากขึ้นนะพุทโทหายไปเหลือแต่หายใจพอสงบมากขึ้นนะหายใจหายไปเหลือแต่แสงแล้วนะสงบจริงๆเหลือแต่จิตที่ลงมาที่จิตดวงเดียวเลยถ้าทําได้ขนาดนั้นก็ดีทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ ให้ใจมันไม่ฟุง้งซ่านมากไม่ให้หลงยาวนะเช่นเรารู้สึกร่างกายหายใจไปถ้าร่างกายหายใจแล้วยังเอาไม่อยู่ต้องใช้อารมณ์ที่อยากเพิ่มไปอีกนะเช่นกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวนะพยายามเคลื่อนไหวอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนมีพัดนั่นเลยค่อยพัดไปคือเคลื่อนไหวแน่เองไอ้พัดเนี่ยพัฒ น, น, นามาจากที่หลวงพ่อเตียนสอนเคยไปเห็นหลวงพ่อเตียนขยับมือ14จังหวะลองทําดูบ้างแล้วราําคาญทั้ง14จังหวะําคาญ ถ้าหลวงพ่อเป็นพวกโทรสะจริตทาอะไรยืดเยื้อแล้วอไม่ได้เรื่องไม่ชอบบางคนเขก็หมาะนะแต่หลบงพ่อไปสิบสี่จังหวะไม่ไหวลาคาญเอามันแค่นี้นะ่เละเหลือแต่นั่งพัดอฒนิ่งบางทีไม่มีพัดแค่นิ่งแต่ไม่ได้ทำบังคับจิตนะอย่างนี้ไม่ได้นะแค่รู้สึกแค่รู้สึกแค่รู้สึกเตือนตัวเองให้รู้สึกถึงร่างกายว่าร่างกายยังมีอยู่ เวลาใจเราหลงไปคิดเราคอยเตือนตัวเองให้รู้สึกในร่างกายมันจะรู้สึกตัวได้เร็วไม่หลงไปคิดยาวก็แค่นั้นแหละนะเพราะฉนั้นถ้ามันฟุ้งซ่านมากนะก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็รู้ทันนะรู้ทันเวลามันฟุ้งไปก็รู้รู้ๆไปด้วยประเดี๋ยวนึงมันจะกลับมาใหม่ใจก็สงบแต่ว่าการเลือกอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเป็นศินละปะนะเป็นศาสตร์ด้วยเป็นศิลป์ด้วย ต้องเลือกให้เหมาะกับจริตนิสัยของเราเราต้องไปดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นถ้าเราอยู่กับพุโทโธแล้วอ้วกจะแตกอะไรอย่างนี้นะก็ไม่เอานะอยู่กับท้องพองยบแล้วเครียดเงี้ยก็ไม่เอาเราไม่ต้องเอาอย่างคนอื่นชิดกรรมฐานเอาเองก็ยังได้เลยเพราะว่าไม่ยากอะไรเรื่องของสมถะกรรมฐานนี่ไม่เลือกอารมณ์ใช้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดก็ได้ใช้อารมณ์รูปนามก็ได้นะ แต่พวกเรายังทําไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือใช่อารมณ์นิพพานนั้นพระริยาบุคคลจะทําได้จะใช้นิพพานเป็นอารมณ์เรียกเข้าพารัสสมบัติแต่ของเราก็ได้แต่อารมณ์บัญญัติคืออารมณ์รูปนามงั้นเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าแค่นี้ก็ได้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆใจไม่หนีไปอยู่ที่อื่นเลยรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้ใจก็สงบงั้นไปดูตัวเองไปเลือกเอาไม่ได้โง่แต่ละคน กรรมฐานอะไรที่เหมาะกับตัวเองไม่ใช่กรรมฐานที่เพื่อนเราทำได้แล้วเราจะทำได้ไม่ใช่กรรมฐานที่อาจารย์เราทำได้แล้วเราจะทำได้แต่ละคนมีทางของตัวเองนะไปดูว่าเราทำกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานานั้นเมื่อจิตมันมีความสุขแล้วจิตมันจะไม่ฟุ้งซ่านหนีไปหาอารมณ์อื่นการที่จิตเราฟุ้งซ่านอุตรุดวุ่นวายไปนั้นเพราะมันหิวอารมณ์มันอยากได้ความสุข งั้นเราอารมณ์ที่มีความสุขมาให้มันนะเช่นหรืออย่างหลวพ่อตั้งแต่เด็กอะ่ะหลวงพ่อหายใจแล้วมีความสุขฝึกอนาปานัสตินหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยมีความสุขแล้วพอหายใจปุ๊บเนี่ยสงบทันทีเลยนะพูดถึงสงบนะั้นมันสงบทันทีนะเดี๋ยวออกก่อน <laughs> มันไม่ยากหรอกนะเรื่องสมาธิอะนะไปดูตัวเองนะว่าอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุข งั้นถ้าเวลาวันไหนนะใจเราฟุ้งซ่านทําความสงบเลือกอารมณ์ที่มีความสุขแล้วอยู่กับอารมณ์นั้นนะบางทีก็เป็นอารมณ์ตรงข้ามเช่นโกรธมากก็จเจริญเมตตาเป็นอารมณ์ตรงข้ามหรืออย่างเราถือศีลมามากๆแล้วนะเรานึกถึงศีลที่เราถือมาได้ดีมีความสุขจิตสงบเลยเราไปทําทานมาไปบริจาคโลหิตไปอะไรงนี้นะพอเรานึกถือนะจิตใจมันอิ่มเอิบแช่มชื่นเบิกบานมีสมาธิเกิดขึ้นทันทีเลย หรือเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงครูบาอาจารย์จิตใจมีความสุขจิตใจก็สงบทันทีเลยไม่ยากอะไรหรอกนี้วันไหนสงบแล้วนะมาฝึกให้จิตตั้งมั่นวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นอาศัยสติรู้ทันเบื้องต้นให้ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งก็คือกรรมฐานอันเดิมนั่นแหละแต่เดิมเคยทําอะไรก็ทำอันนั้นเคยพุโทโธก็พุโทโธเคยหายใจก็หายใจแต่เดิมนั้นพุโทโธให้จิตไปอยู่กับพุโทโธสงบกับพุโทโธ หายใจให้จิตสงบอยู่อารมหายใจดูท้องฟองยุบให้จิตสงบอยู่ที่ท้องอันนี้เปลี่ยนใหม่ไม่ได้ให้จิตไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานแต่ให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมามันพลิกกันนิดเดียวนะเช่นเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอยู่จิตแอบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดหายใจออกหายใจเข้าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตไปอยู่ที่ลมหายใจละแค่นี้เองจิตก็จะดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา หือดูท้องพองยุบหรือเดินจงกรมหรือจะขยับมือทางจังหวะใช้หลักเดียวกันคือรู้ทันจิตที่ไหลไปนะไม่ใช่ให้จิตไปอยู่ที่อารมณ์นะถ้าให้จิตน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มเดียวเรียกว่าอารามันุปนิชานทําไปเพื่อได้สมถะกรรมฐานเท่านั้นเองแต่คราวนี้เราจะฝึกลักขโนปนิชานจิตซึ่งตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะี่ในสิบนาทีน่าไปดูเอาถ้าวันนี้จิตมีแรงพอสมควรละ เราไม่ได้ฝึกให้จิตสงบแล้วเรามาฝึกให้จิตตั้งมั่นหายใจออกหายใจเข้าจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ค่อยรู้แค่นี้แหละจิตตั้งมั่นมันจะเกิดขึ้นเองนี้วันไหนจิตตั้งมั่นแล้วเราก็หัดเจริญปัญญาการเจริญปัญญาขั้นต้นนะเริ่มจากการแยกรูปแยกนามะบางทีครูบาอาจารย์ท่านใช้แยกธาตุแยกขันธ์เยกรูปแยกนามทํำยังไงอย่างเรานั่งสมาธิอยู่ ถ้าเรานั่งแล้วก็จิตเราไปรวมอยู่กับลมหายใจในสมาธิอย่างแรกถ้านั่งแล้วก็จิตเคลื่อนไปเรารู้ตัวจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้สมาธิอันที่สองคือลักขณูวณิชานตรงนี้ยังไม่ได้เดินปัญญาตรงที่เดินปัญญาคือนั่งอยู่เนี่ยแต่จิตมันเป็นคนดูอยู่มือนเห็นว่าร่างกายที่นั่งกับจิตที่เป็นคนดูอยู่เนี่ยเป็นคนล่านกันอันนี้เรียกว่าเราแยกแล้วหรือบางคนไม่ถนัดแยกกายกับจิตจะแยกแยกความรู้สึกกับจิตก็ได้ อย่างคนขี้โกรธเนี่ยมันจะเห็นว่าความโกรธฝุดขึ้นมาแล้วจะเห็นว่าความโกรธไม่ใช่จิตหรอกแต่เดิมจิตไม่ได้โกรธนี่ความโกรธมันแทรกเข้ามาทีหลังนะแล้วมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปจิตเป็นคนดูอยู่มันสามารถแยกความรู้สึกกับจิตออกจากกันได้ความสุขหรือความทุกข์ความดีหรือความชั่วเนี่ยไม่ใช่จิตทั้งสิ้นเลยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่จิตเป็นคลาวๆเราค่อยๆแยกไปกายกับจิตเป็นคนล่างร่างกายนั่งจิตเป็นคนดู ร่างกายเดินจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตเป็นคนดูนี่ฝึกอย่างนี้นะหรือเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นในกายบ้างความสุขเกิดขึ้นในจิตบ้างจิตเป็นคนดูไม่ใช่จิตความทุกข์เกิดที่กายบ้างที่จิตบ้างเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาที่กายที่จิตไม่ใช่จิตจิตเป็นคนดูความความดีหรือความชั่วโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาที่จิตไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนดูค่อยๆสังเกตไปอย่างนี้ ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตถ้าจิตมันไปรู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ยอมดูไม่ยอมสังเกตนะให้ช่วยมันคิดพิจารณาเข้าไปสอนมันเข้าไปเออร่างกายมันนั่งนะนี่ร่างกายมันหายใจนะจิตเราเป็นคนรู้อยู่ค่อยๆสอนมันไปร่างกายไม่ใช่จิตหรอกลองขยับมือสิเห็นไหมรู้สึกไหมหลับตาก็ได้รู้สึกไหมร่างกายมันขยับใครเป็นคนรู้สึกจิตมันรู้สึกนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปในสุดกายกับจิตก็แยกออกจากกันนะจิตกับความรู้สึกก็แยกออกจากกัน อนนี้เราจะค่อยๆแยกขันทําไมต้องแยกขันถ้าขันห้ามันมารวมกันเนี่ยจะดูไตรลักษณ์ไม่ออกเพราะมันช่วยกันตัวนั้นดับไปตัวนี้เกิดมันซ้อนไปซ้อนมาดูไม่ออกแต่ถ้าเราเข้ามาถึงสภาวะธรรมเชิงเดี่ยวนะตัวเดี่ยวๆเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเช่นเราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเราจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วดับร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วดับ ร่างกายที่ยืนอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับที่นั่งที่นอน <c oughs> ที่เดินก็เหมือนกันนะความสุขความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความดีความชั่วทั้งหลาย โ, โลภโกรธหลงทั้งหลายอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับตรงที่เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนี่คือขั้นของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่นั่งคิดเอานะไม่ใช่พองหน่อยุบหนออะไรหรือพุโทโธพุทโธแล้วไอ้นั้นมันยังบริกรรมอยู่เลยนะไม่ใช่วิปัสสนาแลววิปัสสนาจริงๆเนี่ยต้องเห็นสภาวะธรรมนะเกิดดับได้ หรือเห็นสภาวธรรมนั้นถูกบีบขันอยู่หรือเห็นสภาวธรรมนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งในไตรลักษณ์นี่แหละถึงจะเป็นวิปัสสนาเพั้นที่บอกว่าเข้าข้อสวิปัสสนาหลวงพ่อไม่เห็นจะรมวิปัสสนาเลยนะส่วนใหญ่ไปทําสมถะแบบไม่รู้ตัวว่าเป็นสมถะด้วยซ้ำไปหรือบางทีก็นั่งพิจรารณานั่งคิดเรื่องไตรลักษณ์นั่งคิดเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอายตนะนั่งคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่ได้กินหรอก แด้แต่คิดไม่ได้เห็นของจริงนะอย่างรู้หมดเลยนะว่ า, าวิชาเป็นยังไงประกอบด้วยอะไรนะสังขารเป็นยังไงประกอบด้วยอะไรวิญญาณมีกี่ชนิดนะผัสสะมีเท่าไหร่อายตนะมีเท่าไหร่รูปนามมีเท่าไหร่รูนะ้หมดเลยมีเวทนาเป็นกี่อย่างนะอุปาทานมีกี่อย่างนะตัณหากี่อย่างภพกี่อย่างชาติเป็นอะไรบ้างชาติคืออะไรรู้หมดเลยแต่ว่าไม่เคยเห็น ถ้าไม่สามารถแยกสภาวะถึงเชิงเดี่ยวได้เห็นสภาวะแต่ละตัวได้อย่ามาคุยเลยนะไม่เห็นจริงหรอกนั้นการที่เราจะพาวนาได้นะจะเจริญปัญญาได้เราเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปได้นะต้องเห็นถึงสิ่งนั้นสิ่งเดียวได้นะไม่ใช่เห็นตั้งฝูงหนึ่งถ้าเห็นตั้งฝูงหนึ่งนะไอ้ตัวนี้ดับตัวนี้เกิดอย่างเราเคยไปดูตามแม่น้ำํำไหมตามวัดบางแห่งเขาเลี้ยงปลานะโยนอาหารให้ปลาตัวนี้ขึ้นตัวนี้ลงตลอดเวลาใช่ไหม ดูยากนะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนอ่ะคล้ายๆโอ้ฝูงนี้คงที่อยู่นี่แหละฝูงนี้ยังไม่หายไปไหนนี่มันหลอกเราบแบบนี้ลเลยขันน ะ, นะมันรวมกลุ่มกันเมื่อไหร่นะมันรู้สึกมันคงที่ขึ้นมาเลยแต่ถ้าเราเห็นตัวเดียวไอปลาตัวนี้หางแดงไม่เหมือนตัวอื่นเอามันขึ้นมาละมันลงไปละมันขึ้นมาละมันลงไปละปลาตัวนี้ไม่คงที่เลยนะถ้าอย่างเนี้ถึงจะเห็นสภาวะได้เพราะฉะั้นการจะเห็นสภาวะได้นะจิตต้องสามารถแยกแยกรูปแยกนามออกไป จนถึงสภาวะเดียเด่ยวๆได้เช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นความโกรธตั้งอยู่ความโกรธดับไปอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ไม่ใช่เห็นว่าอะไรมั่วซั่วไปหมดนะทุกวันนี้มันภาวนากันไม่ค่อยเป็นหรอกเนมั่วเนี่ยสินาทีนะที่ต้องฝึกยากไหมมีให้งานให้ทำเยอะเลยแต่ไม่ใช่ต้องทำทุกงานนะวันนี้มีความสามารถระดับนี้ทำตรงนี้วันนี้ความสามารถตรงนี้ทาตรงนี้ มีส อ, อย่างแล้วนะแรกถือศีลไหมที่2ปฏิบัติในรูปแบบวันหนึ่งอย่างน้อย15นาทีอย่างน้อยนะไม่ใช่อย่างมากอย่างมากไม่มีกําหนดอย่างน้อย15นาทีไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยถ้าฟุ้งซ่านทําความสงบทําสมถะถ้าสงบแล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นด้วยการรู้ทันจิตที่ไหลนะถ้าตั้งมั่นแล้วหัดแยกขันเห็นกายกระจโคนาะนนเห็นความรู้สึกต่างๆกระจายคนลนถ้าแยกขันได้แล้วดูขันแต่ละขันแสดงไตรลักษ จะดูตัวไหนตัวไหนเด่นดูตัวนั้นะไม่ใช่จงใจจะมาดูดูตัวเดียวตัวไหนเด่นจิตมันก็จะไปดูตัวนั้นเองเหมือนเาเวลาเราดูละครดูละครเนี่ยเราดูละครตัวเดียวไหมเราไม่ได้ดูละครตัวเดียวใช่ไหมอย่างมันขึ้นมาบนเวทีพร้อมกันห้าคนเราจะดูทีละคนตัวไหนมีบทบาทหลักเนี่ยเราจะสนใจดูต้องสอนไหมว่าตัวไหนมีบทบาทหลักมันดูได้เองไหมมันรู้เองแหละอ๋อพระเอกมันกําลังพูด แต่ว่าผู้ร้ายกาลังถือมีดมาทางนี้ล้วนะมันจะเปลี่ยนมันจะรู้ว่าตอนเนี้ควรจะดูตัวไหนเวลาที่เราจเจริญวิปัสสนาเหมือนกันนะถ้าเราทําเป็นจริงๆอ่ะสภาวะใดเด่นขึ้นมาเราก็จะเห็นสภาวะนั้นแต่ว่าเห็นนะจนมันเกิดแล้วมันดับนะเแต่สภาวะบางอย่างจะไม่เห็นตอนเกิดพวกกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยจะไม่เห็นตอนเกิดเพราะอะไรถ้าเห็นแล้วมันไม่เกิดให้มันเกิดไปก่อนเราวค่อยเห็น แต่รูปธรรมเนี่ยรูปเพื่อนไหวเนี่ยมันรู้สึกได้แต่แต่เริ่มต้นยันจบเลยนะะฉนั้นการรู้รูปธรรมกับรู้นามธรรมต่างกันถ้ารู้รูปธรรมเนี่อรู้ลงปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยใช้คาว่าเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้อ้าวยิ้มสิเนี่ยกําลังยิ้มอยู่มีคําว่ากําลังยิ้มอยู่เห็นไหมพยักหน้าเห็นไหมกําลังพยักหน้าดูได้แต่ถ้าจะดูจิตดูใจที่เป็นนามธรรมนะโกรธแล้วโลบแล้วหลงแล้วฟุ้งซ่านแล้วอย่างนี้มีคําว่าแล้วะ ภาษาไทยมันมีภาษาที่ใส่ลงไปแล้วรู้ว่าอยู่ในการไหนในช่วงเวลาไหนเนี่ยดูไก่นะดูลงปัจจุบันขณะดูจิตจะเรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันโกรธขึ้นมาก่อนแล้วรู้ว่าโกรธไม่มีอย่างอื่นมาขั้นไม่ใช่โกรธแล้วก็โลภไปอีก500ครั้งแล้วรู้ว่าโกรธนานนานมาแล้วโกรธเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่วิปนะัสสนาใช้ไม่ได้ต้องแบบ ตามกันติดๆเลยเห็นหางไหวๆอยู่นั่นแหละเคยไหมเห็นความโกรธปุ๊บเห็นหางมันหน่อยๆที่แท้มันเป็นร่องรอยที่มันจริงไว้ให้เราดูเนี่ยฝึกอย่างนี้นะเนี่ยสอย่างละอันที่สอันแรกถือศีลอันที่สองฝึกในรูปแบบอันที่สมเจริญสติในชีวิตประจำวันการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะถนัดรู้กายเราก็เห็นร่างกายมันทํางานไป เห็นร่างกายมันกวาดบ้านเห็นร่างกายมันซักผ้าเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันยิ้มและมีความรู้สึกอยู่ว่าเหมือนเห็นคนอื่นไม่ใช่เราหรอกร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งที่มันทํางานไปเรื่อยๆคอยรู้สึกไปเรื่อยๆหรือเห็นว่าร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกคอยรู้สึกไปมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่วัตถุ มันมีความรู้สึกมีการหมายรู้เข้าไปด้วยการหมายรู้อย่างนี้นะเรียกว่าสัญญานะพวกเราบางคนอ่ะปฏิเสธสัญญาชอบพูดนักเฉยว่าวุ้ยสัญญาไม่ใช่ปัญญาหารู้ไห่ว่าสัญญามีสองจำพวกนะสัญญาวิปลาสกับสัญญาที่ถูกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอาศัยสัญญาที่ถูกนะสัญญาที่ถูกคือสัญญาอะไรหมายรู้ความไม่เที่ยงหมายรู้ความถูกบิบคั้นคือความเป็นทุกข์หมายรู้ความไม่ใช่ตัวใช่ตนคืออนัตตา นี่เป็นสัญญาทั้งสิ้นเลยอาศัยสัญญาหมายรู้มีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมที่ปรากฏมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมีสัญญาเข้าไปมองรูปธรรมนามธรรมนั้นในมุมของความเป็นไตรลักษณ์นะปัญญาถึงจะเกิดนะไม่ใช่รู้ตัวเฉยๆแล้วปัญญาเกิดไม่เกิดหรอกนะงั้นกระทั่งในฌานสมบัติถ้ายังมีสัญญาอยู่เนี่ยทำวิปัสสนาได้แต่ถ้าไม่มีสัญญาทํำวิปัสสนาไม่ได้ยังเป็นปลอมลูกฟักนั่งแล้วจิตดับไป เหลือแต่ตัวแข็งทื่อๆไม่มีความรู้สึกอ่ะอย่ามาคุยอวดเรื่องวิปัสสนาเลยไม่มีหรอกเราก็ไม่ใช่นิพพานด้วยนิพพานอะไรตัวแข็งๆยากไปไหมเออถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันนะถนัดรู้กายก็ดูกายมันทํางานเหมือนดูคนอื่นเนี่ยกายมันยิ้มกายมันหัวเราะกายมันกินข้าวใจมันขับถ่ายกายมันกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวทาปากทาตาอะไรก็ว่าไปเห็นร่างกายมันทำงานไปถ้าถนัดดูใจ วิธีถนัดดูใจนะสําหรับคนที่ถนัดดูใจแล้วจะเจริญสติในชีวิตประจำวันก็ไม่ยากอะไรหรอกมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสนะมีใจก็คิดนึกไม่ห้ามสักอย่างเลยแต่เมื่อตาไปดูหูไปฟังนะใจไปคิดแล้วเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นที่ใจให้รู้ทันนะเช่นไปเห็นเห็นคนนี้มาเกลียดมันในโทสะ ข, ขึ้นแล้วความเกลียดเกิดขึ้นเห็นคนนี้กลัวเนะี่ย รู้ทันว่าความกลัวเกิดขึ้นความกลัวก็เป็นโทสะอีกเห็นคนนี้มาชายมินชอบรู้ว่าชอบนี่ราคามันเกิดขึ้นเนี่ยรู้อย่างนี้นะง่ายๆไม่ต้องดอ จ, จรอมันต้องเรียบร้อยขรึมเอาละจะดูละเฉยตลอดชาติเลยนะปัญญาไม่เกิดหรอกจะใจรักไปอยู่ที่ไหนอะ่ะ ม, มีแต่อัปลักษณ์ผิดมนุษย์เลยน ะ, ะให้เป็นธรรมชาติ เพราะเราบอกแล้วเราจะฝึกในชีวิตประจำวันใช่ไหมท่านฝึกในรูปแบบเพราะว่าไปอย่างสิฝึกในชีวิตประจำวันก็ต้องทําให้เหมือนคนธรรมดานั่นแหละเคยเดินอีท่าไหนก็เดินท่านั้นแหละไม่ต้องเดินปร ะ, ประหลาดกว่าคนอื่นหรอกนะเคยชอบกินสมมุติเคยชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวได้นะไม่ต้องไปคอยกินอย่างอื่นเมื่อมัดัชนิสัยมันอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากินอันนี้แทนอะไรเงี้ยเรื่องมากกว่าเปล่ามีอะไรก็กินเข้าไปเถอะนะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะลิ้นกระทบรสเนี่ย รถนี้ชอบรู้ว่าชอบของนี้อร่อยพอใจรู้ว่าพอใจในชะ่ไหมกินอันนี้ไปโอ้ยมีชอบเลยนึกโมโหได้วโมโหไปถึงให้คนทํานะแล้วโมโหตัวเองด้วยไม่ควรจะเข้าร้านนี้เลยสวยจริงๆเนะีโมโหโทรศัพท์ขึ้นแล้วรู้ว่ามีโทรศัพนทะ์เนี่ยตาเห็นรูปมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันหูได้ยินเสียงมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันยังได้ยินเสียงโทรศัพท์เนี่ยนะได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเรากําลังรอโทรศัพท์เพื่อนเรานะ กำลังคิดว่าเขาจะโทรมาหาเรานะคนนี้เราอยากคุยด้วยกลี้งขึ้นมาดีใจไหมได้ยินโทรศัพท์หยิบขึ้นมาปุ๊บฮลัฮโลโหลฮัลโหลอามเสียงคนอื่นโทรสา ข, ขึ้นเลยนะเนี่ยตอนที่หยิบขึ้นได้ยินเสียงทีแรกดีใจรู้ว่าดีใจพอได้ยินเสียงคนพูดไม่ใช่คนที่เราอยากคุยด้วยเลยนะนี่มันเจ้านี่มันจะมาทวงเงินชัดๆเลยโทรสา ข, ขึ้นแล้วรู้ว่าโทรสา ข, ขึ้นนี่แหละคือการปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะรู้อย่างที่มันเป็น จะปฏิบัติด้วยการรู้กายก็ได้เห็นร่างกายมันทำงานเหมือนเห็นคนอื่นหรือปฏิบัติด้วยการดูจิตดูใจก็ทําได้ถ้าจะดูจิตดูใจอย่าไปทําจิตให้นิ่งใช้จิตใจที่เป็นมนุษย์ธรรมดานี่ยมีตาดูหูฟังมีใจคิดกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้รู้ทันรู้แล้วได้อะไรรู้แล้วก็จะได้เห็นว่าอารมณ์ทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นอารมณ์ทุกอย่างบังคับไม่ได้ความสุขจะเกิดหรือความทุกข์จะเกิดเลือกไม่ได้ กูสนจะเกิดหรือโลภโกรดหลงจะเกิดเลือกไม่ได้บางทีตั้งใจไม่โกรดก็โกรดตั้งใจไม่รักก็รักเห็นไหมนั่นคือความจริงล้วนๆเลยนะงั้นถ้าทําให้ได้ทั้ง3อย่างนี้นะมรรคผลจะไม่หนีไปไหนไกลหรอกแต่ถ้าถ้ า, ถาไม่ได้นะตัวสําคัญมากเลยคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันส่วนนี้ถ้าขาดตัวนี้แล้วโอกาสจะบรรลุธรรมยากมากเลยเพราะชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ตรงนี้ชีวิตส่วนใหญ่เราไม่ได้อยู่ในห้องกรรมฐาน วันวันหนึ่งจะไปอยู่ห้องกรรมฐานสักกี่ชั่วโมงนะเวลาส่วนใหญ่ไปอยู่ตรงนี้เองอยู่ข้างนอกนี้งั้นถ้าอยู่ข้างนอกนี้ทำได้ก็คือปฏิบัติในทั้งวันเก็บแต้มไปทั้งวันเลยหลวงพ่อพานานะครูบาจารย์ไม่เคยต้องมาคอยเร่งรัดให้ภาวนานะขยนนันภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับนะดูของเราอย่างนี้เรื่อยๆไปแต่ถ้าเหนื่อยก็พักนะถ้าพักด้วยสมาธิได้ก็ทาบางวันกระทั่งสมาธิก็เข้าไม่ไหว เครียดมากงานหนักมากนะหลวงพ่อไปซื้อการ์ตูนเด็กมาอ่านหรือซ้ำไปอ่านหน้าซือการ์ตูนเด็กก็หัวล้อสองามทีจิตผ่อนคลายเลยไหมความสุขเกิดแล้วความสุขสมาธิก็เกิดเลยความสุขเกิดสมาธิก็เกิดไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ว่าศีลนะต้องรักษารักษาศีลหแล้วก็ทําในรูปแบบจะทําให้มีพลังเจริญสติในชีวิตประจําวันรวดไปเลยไม่ค่อยมีแรงนะไม่ค่อยมีแรงแต่ถ้าถือศีล ทำในรูปแบบแต่ไม่ทําในชีวิตประจำวันโอกาสได้มักผลนี่ต่ำมากเลยนะพอไหวไหมสอนให้เยอะแล้วนะอยู่ที่ทาเอาเองไม่ทำก็รู้จะทําทไงแล้วต่างคนต่างไปแล้วนะ <c oughs> เอาละพอสมควรก็ก่อนมาเจอหลวงพ่อก็ได้ปฏิบัติ ท, ทําแบบผิดไว้ครับคือเหมือนว่าเอาจิตไป ไปกำหนดไว้ที่ต่างๆแล้วมันทำให้อึดอัดปวดหัว<ม>หลังจากนั้นก็เหมือนทำผิดอีกครับคือไปบังคับลมหายใจจนมันติด<ม>พอติดเนี่ยเราก็ไปดูกายแล้วมันรู้สึกว่าเวลาดูกายมันต้องใช้พลังสมาธิเยอะกว่าปกติมันก็เลยทำให้จิตรวบไว้ที่สีส่สา<ม>ก็เลยอยากทราบว่าทำยังไงถึงจะให้มันกลับเป็นปกติครับ<ม>เพราะว่าจะเลิกทำมันก็มันก็คางอยู่<ม>อย่าง น, น คือเวลาที่เราเคยได้ยินคาว่าไตรวัตไหมไตรวัตตะกิเลสกรรมวิบากเนีย่ยตอนนี้เป็นวิบากแนะนะเรามีกิเลสอะไรเรามีกิเลสคือโลภอยากปฏิบัติเราเกิดการกระทากรรมคือการบังคับตัวเองเกิดวิบาก ค, คือความทุกข์ความเครียดความแน่นเพราะนั้นวิบากเนี่ยแก้ไม่ได้อย่าไปโลภอีกนะกล้าพอไหมกล้าพอไหมที่จะฝึกใหม่ กล้นี่คือแบบกล้ากระทบอารมณ์อย่างเงี้ยเหรอครับใช่ก็กล้าแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นคนไม่ดีนะเอาแค่ไม่ผิดศีลห้าเท่านั้นนะ่ะโกรธได้โลภได้นะไม่ต้องเรียบร้อยถ้าเราต้องเรียบร้อยเนี่ยเสร็จเลยเหมือนก็เป็นอย่างนี้สิเนาะผมรู้สึกว่าถ้าแบบกลับเป็นเหมือนคนเก่าก่อนที่ปฏิบัติมัน้นนถู ก, ถกต้องแต่ว่าผมกลับไม่ได้ครับมันเหมือนมันชินตรงที่ศีรษะไปแล้วมันเราทําให้ดูซิเป็นอะไรที่ศีรษะ ว่ามันไปมันไปอั้นไหวครับแบบเคยทําผิดมาถ้างัาางน้นลองลองแผ่เมตตาไปเลยสังเกตไหมว่าใจเรามีโทสะครับมืนมันดันออกเออนะใจมันมีโทสะนะมันไม่ชอบสภาวะอเ น, นี้ยให้รู้ที่ไม่ชอบไม่ต้องไปสนใจที่คอให้รู้ที่ใจใจไม่ชอบนะแล้วก็จเจริญเมตตาไปสบายสบายจเจริญเมตตาใส่ที่ใจเรานี้ สบาสบายไม่สนใจตัวนี้นะเดี๋ยวก็หลุดอ่อนที่มันไม่หลุดเพราะว่ามันดันออกใช่ไหมฮะไม่หลุดนะเพราะว่าเราเกลียดมันครับเวลาที่เรารักอะไรเราก็ตะครุบมันนั้นนะเวลาที่เราเกลียดอะไรเราก็ปิดตักครุบมันอีกอย่างสูงหลวงพ่อเกลียดใหม่ตัวนี้มันเตี้ยะหลวงพ่อก็ต้องต้องแต้มันใช่ไหมให้จะดันมันขึ้นเนี่ยถึงเราเกลียดมันนั้นเราก็จับมันใช่ไหม เรารักมันเราก็จับมันเราไม่อุเบกขากระมันถ้าอุเบกขามันถึงจะปล่อยอย่างขณะนี้เราไม่ชอบสภาวะที่จิตไปติดตัวนี้ให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนะถ้าใจเป็นอุเบกขาตัวนี้ค่อยๆ ค, ค, คลายอันนี้เป็นวิบากนะเป็นผลของกรรมที่เราบังคับตัวเองมานานต้องรับผลนะแต่ว่าทิ้งมั น, ปนไปเลยไม่สนใจให้รู้ทันที่จิตมีโทสะเดี๋ยวก็หาย แล้วถ้าสมมติผมหายเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับผมนี่คือควรจะดูอะไรครับผมคือว่าไม่ไม่แน่ใจว่าจะดูกายดูจิตตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่ต้องตอนนี้<ม>แต่ต้อ ง, องแก้ตัวนี้ก่อนนะ<ไ>นั้นเดี๋ยวค่อยเป็นอีกสเต็ปหนึ่งคือตอนนี้ต้องปรับจิตให้มีสมาธิที่ถูกซะก่อนตอนนี้จิตมันยังไม่มีสมาธิเนี่ยรู้สึกไหมไปรวบใหม่อีกแล้วอ เ, เออเนี่ยไปรวบปุ๊บ ชเอให้รู้ทันตัวเนี้นะถ้ารวบเพื่มารู้ทันเลยแล้วพอ ร, รวบแล้วไม่ชอบหรือว่าไม่ชอ บ, บ, ชอบถ้ารู้ทันตั้งแต่รวบมามันจะหลุดเลยสัง เ, เกตไหมตอนที่มันเผลอมันคือสภาวะเหมือนตอนเด็กๆตอนที่ยังไม่ได้ภาวนาเผลอบ้างไม่ต้องรู้ตัว ต, วตลอดเวลาขอบคุณครับกา บ, บนรรศการหลวงพ่อจเจ้าค่ะ คือหนูก็เพิ่งเพิ่งเริ่มฟังซีดีหลวงพ่อได้ไม่นานนะคะเพราะว่าพอดีลูกชายเอามาให้ก็รู้สึกพอเริ่มเริ่มทำก็เริ่มรู้สึกตัวแต่ว่าในการปฏิบัติคือหนูภาวนาครับ น, <อ>นี่ลูกใช่ไหมค่ะอย่าไปบังคับมันเริ่มบังคับตัวเองอีกแล้วน้องเพลงเป็นไหมเนี่ยจิตที่ดีจิตใกล้ๆตรงเนี้ยจิตที่ไม่ได้เจตนา ไม่ได้เจตนาจะปฏิบัติมันก็แค่ว่าให้กายมันทำงานให้ใจมันทำงานเราแค่มีสติรู้ไปสบายๆไม่ใช่ไปควบคุมแนะล้วควบคุมแล้วจะอดอัด น, นะที่เราควบคุมเพราะเราอยากดีส่วนแม่นะ้นไม่มีปัญหานะแม่ภาวนาใช้ได้แต่จิตเนี่ยรู้สึกไหมจิตมันกระจายออกไปใช่ใชคือคือใช้พองยุบนะคะคือภาวนาไปแล้ว บางครั้งรู้สึกแน่นบางครั้งรู้สึกสบายบางครั้งรู้สึกอึดอัดอันนี้หลวงพ่อว่าถูกทางไหมคะมันรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวลูกบอว่าคือลูกบอกว่าถ้ารู้สึกอึดอัดแสดงว่าไม่ถูกต้องก็เลยถ้ารู้สึกอึดอัดนะนะถ้ามันอึดอัดทางจิตใจเนะยจิตเป็นอกุศลแน่นอนถ้าร่างกายอึดอัดบางทีเพราะว่าเราไปเพ่งเอาไว้เอาอย่างนี้สิต่อไปนี้นะภาวนาไปสบายสบาย จิตเบารู้ว่าเบาจิตหนักหรือว่าหนักจิตสบายรู้ว่าสบายจิตอดึดัดรูอว่อาอึดัดไม่ได้พาวนาเอาอะไรทั้งสิน้นนะไม่เคยคาดหวังเลยเออต้องไม่คาดหวังหลวงพ่อสกครั้งคือเวลาภาวนาวเวทนาบางครั้งแบบพอเริ่มพอเริ่มจะปฏิบัติเวทนาจ่อเลยค่ะมันจิตยังไม่สงบอันนี้หนูกมกำหนดไปเลยไดไ้คือดูมันไปเลยได้ไหมเวทนานะเล่นยากมันจะจอ่อเลยถ้าไม่ได้ทรงชนนะันเนี้ยมาเจอเวทนาน้ําผ่านยาก S <S <S เอางี้ อ, อย่าไปจอ่อคาว่าจ่อไม่เอาถ้าจ่อเราไปที่ใดที่หนึ่งนนเรื่องอารามาัมนุปนิชานคราวนี้เอาใหม่เห็นว่ากายก็อันหนึง่งเวทนาก็อันหนึง่งจิต ท, ที่เป็นคนดูก็อีกอันหนึง่งตัวที่ไม่ชอบเวทนานี้ก็อีกอันห น, นึ่งเนี่ยหัดูอย่างนี้หัดแยกไปเรื่อยๆแล้วเราภาวนาเนี่ยไม่ได้มุ่งเอาชนะเวทนานะเวทนานเป็นวิบากคือพอกาหนดไปแล้วเหมือนกับ เราไปรู้กดแห่งกรรมของเราอันนี้ก็ผิดไหมคะหรือว่าเราคิดไปเองมันไม่ไม่ําเป็นมันมันขึ้นมาะออถ้ามันขึ้นมาเองไม่เป็นไรค่ะนะถ้ามันขึ้นเองไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ถึงจุดที่ว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่แต่นะพอพอรู้ปุ๊บจิตมันโล่งเลยก็เลยไม่ทราบว่าเอ๊ะเราคิดไปหรือเปล่าเออคิดไม่คิดไม่สำคัญอ่ะนะจิตโลง่งรู้ว่าโลง่งนะก็คือ ขอกราบความเมตตาหลวงพ่อช่วยเมตตาบอกว่าจริตในการภาวนาอย่าคิดมากนะคิดมากไปเพราะฉะนั้นรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆหมอแล้วล่ะแต่ลูกชายเราติดเพ่งน่ะต้องปรับก็สงสารเขานอนไม่หลับเลยค่ะก็ได้แต่ให้คือกรรมฐานบางอย่างนะหลวงพ่อก็ไม่อยากมิจารา์นอะภาวนาแล้วเพียนเยอะเลยมันเครียดเกินไป คือแทนที่จะรู้รูปนามตามความเป็นจริงนั้นเข้าไปบังคับรูปนามไปหมดเลยมันไม่ถูกแล้วทําถูกไม่เพี้ยงหรอกหลวงพ่อเจ้าคะแล้วแต่ยังงี้เขาสามารถทํางานได้ไหมคะได้สิทําไมจะไม่ได้เล้วก็ลาออกมาที่ที่ใหม่ก็เรียกตัวแล้วตอนนี้เขายังไม่หายก็เลยสับสนว่าลูกจะทํางานทํำใจสบายๆอย่าไปคิดว่ามีปัญหาถ้าเราคิดว่าเรามีปัญหานั้นมีไปเรื่อยๆเพราะปัญหาเขาไม่เทื่ยงนะ สิ่งที่ติดอยู่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะไม่มีอะไรคงที่หรอกไอ้คนคนนั้นที่ติดเพลงนั้นมันตายไปแล้วคิดอย่างนี้พ่อครับขอบพระคุณหลวงพ่อมากกับน้ำมัน ส, สการครับคือเท่าที่สังเกตในชีวิตประจำวันนะครับส่วนใหญ่จะมีโทสะกับราคะเกิดขึ้นแต่ก็มันน้อยกว่าตัวเผลอแลอ้วอนะพอเผลอครับอ๋อเผลอต้องมากกว่าอยู่แล้ว ครับแล้วพอเผลอไปเนี่ยพอรู้สึกตัวมันก็จะกลับมาดูลมหายใจพอดูปุ๊บมันก็จะเกิดกับแบบคือจับลมเลยครับแล้วก็จะรู้สึกอึดหักแน่นๆธรรมดานั่นแ่ะคนที่ไม่เคยฝึกนะจิตไม่มีแบบเดียวคือหลงหลงหลหลล ง, ล ง, ล, ง, ล, งลงไปคนที่หัดใหม่เนี่ยหลงแล้ว ร, รู้สึกแล้วก็จะเพ่งเอาไว้เป็นอย่างนี้ทุกคนอะต่อไปมันจะไม่เพ่ง น, นี่วาหลงเรารู้ว่าหลง หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้สุดท้ายมันจะเหลือรู้ก็รู้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ใน Process ของการพัฒนาปกติทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเวลาเราดูลมหายใจแล้วเราสูดไปแน่นๆเรากลับมาขยับร่างกายเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้แทนสลับทำแลอันนั้นเป็นวิธีเป็นอุบายนะไม่ใช่หลักอุบายเราจะใช้เมื่อจาเป็นจริงๆเพ น, นเครียดจัดๆเเปลี่ยนอารมณ์ซะนะ แต่ถ้าเราดูได้เราดูไปยางที่มันเป็นทุกอย่างมีเหตุทั้งสิ้นเลยทําไมมันรวบเข้ามามันอยากดีมันกลัวหลงมันรักดีหามจั่วมันหนักนะแต่ห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้จิตจะรวบก็ห้ามไม่ได้ก็รู้ว่ามันรวบพอรู้ทันนะต่อไปมันจะค่อยๆคลายของมันออกมันจะรู้ว่าเป็นภาระนะแล้วต่อไปพอเรามันรู้ว่าพอรวบแล้วเป็นภาระเป็นทุกเนี่ย จิตจะไม่ชอบเพราะจิตไม่ชอบการรวบเนี่ยให้รู้ลงไปที่ความไม่ชอบให้รู้ที่ไม่ชอบนะพอจิตเข้าถึงความเป็นกลางเนี่ยการรวบนี้จะหายไปดงนั้นอยู่ที่ความเป็นกลางนวลส ก, การ์ตหลวงพ่อครับคืออยากจะสอบถามว่าที่ผมปฏิบัติมาเนี่ยครับ เป็นเป็นยังไงแล้วก็ถูกทางไหมครับเพราะฉะนั้นหนักาพูดอะไรเสนหน่อยสิหลวงพ่อบอกเลยมันก็น่าเกลียดคนมันหาเรื่องหลวงพ่อเยอะนะนึ่ว่าอวดอุตรีคือธรรมดาผมก็จะปฏิบัติแบบดูลมของตัวเองเป็นเป็นส่วนใหญ่ครับหลวงพ่อจะปฏิบัติไปดูสิหายใจไปดูลมไปทำให้หลวงพ่อดูอให้เหมือนจริงเลยลืมหลวงพ่อไป รู้สึกไหมจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมคราวนี้ปรับนิดหนึ่งนะหายใจไปนี่แหละแล้วจิตเป็นยังไงให้รู้ทันจิตไหมถ้านะหายใจไปหายใจไปแล้วจิตถลาลงไปดูลมรื้ว่าจิตถลาลงไปละหายใจไปแล้วจิตไปที่อื่นรู้ว่าไปที่อื่นนะเราจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมาพื้นฐานใช้ได้นะขันมาเริ่มแยกแล้วละแต่วิธีรู้ลมหายใจมันยังไม่ถูกมันถลาลงไปรู้ลม ถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้เนี่ยคราวนี้จะเห็นขันมันทำงานได้ชัดถ้าถล่มลงไปอย่างนั้นปัญญาจะไม่เกิดเอาใหม่หายใจอีกรู้สึกไหมจิตมันใสไปใสมารู้สึกครับไม่เป็นไรับไม่เป็นไรใสรู้ว่าใสนะถูกแล้วใหม่ๆไปอย่างนั้นหละเพราะว่ามันเคยเกาะอะไรไว้อันหนึ่งนิ่งๆหรือมันไม่มีที่จะเกาะ คนส่วนใหญ่ทํากรรมฐานเนี่ยมันจะส่งจิตไปเกาะอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานตรงนั้นเป็นอารามันูปนิชานไม่เดินปัญญาแน่นอนนี้ถ้าเราไม่ได้เกาะนะจิตจะไหลไปเกาะเรารู้ทันหรือจิตจะหนีไปที่อื่นเรารู้ทันตรงที่เราไม่เกาะเนี่ยมันล่อแหลมที่จะฟุ้งซ่าน ง, ง่ายอย่าไปกลัวฟุ้งก็ฟุงฟ้งฟุ้งเรารู้เอานะครับแล้เนี่ยพอลงไปดูจิตมันสายรู้ว่าสายไม่ว่ามันจิตมันไลหลไปเจออะไรสักอย่างเนี่ยตะครุบไม่เลย รู้ว่ไปตะครูปไปแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยเ่ยนื้อปรับสมาธิตัวนี้ให้ถูกปอนส่วนการแยกขันนั้นแยกได้แล้วเนี่ยถ้าเราปรับสมาธิให้ดีขึ้นมาเนี้ยมันจะเดินปัญญานึกออกไหมถ้ามันไปจับอยู่ที่ลมมันไม่มีปัญญามันเป็นอารามณูปนิชานนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะที่หลวงพ่อบอกว่ามีตัวรู้เนี่ยรู้ในลักษณะของ ที่ข้อสองอะค่ะคือเห็นอารมณ์แล้วเราเป็นผู้ดูหนูไม่แน่ใจว่าหนูเคยเกิดแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็เรื่องการแยกแยกขันหรืออะไรเนี่ยคือคือเคยเคยเห็นตัวเองนอนอยู่อตัวเองเดินไปแ ต, แต่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองคิดตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าเขาเกิดมาแล้วเขาก็หายไปนั่นแหละไม่ได้คิดเอาถ้าคิดเอาจงใจเอานะอยู่ทั้งวันเลยไม่หายอย่านั้นนี่ต้องระวังนะของคุณอนะ มันเหมือนแยกทั้งวันเนะี่ยถ้าเหมือนแยกทั้งวันเนี่ยนะมันเป็นการดึงตัวรู้เอาไว้ดึงให้แยกออกมามันจะเห็นได้นี้เคลื่อนไหวอย่างนี้ได้ทั้งวันเลยอันเนี้ยไม่ถูกนะอย่าไปจับอย่าไปบังคับว่ามันต้องรู้สึกต้องแยกตลอดแยกก็แยกแยกรู้ว่าแยกรวมรู้ว่ารวมแต่ถ้าจงใจดึงขึ้นมานี่มันจะไปติดสมาธิอีกข้างหนึ่งสมาธิ <c oughs> มันติดได้หลายที่นะไหลไปอยู่ที่อารมณ์ไปติดอยู่ที่อารมณ์ก็ได้ ถอยมาจับอยู่ที่ตัวรู้ก็ได้นะติดสมถะทั้งนั้นนะนะของหนูเนี่ยหนูดูตัวนี้หนูเป็นคนขี้กังวลนะนะเป็นคนขี้กังวลใจให้รู้ทันใจที่กังวลไป <Okay. S 2> เวลาความกัง ว, วลใจเกิดขึ้นใจไม่มีความสุขรู้ว่าไม่มีความสุขนะถ้าใจสุขใจทุกข์ใจกังว ล, ใ จ, งวลใจสบายอะไรเนะี่ยคอยรู้ไปรู้เล่นๆนะนะอย่าไปกังวลเรื่องปฏิบัติมากไปแล้วนะนะ พัฒนาขึ้นไหนเจ้าคะต้องแก้ตรงไหนไม่แก้ไม่แก้คําว่าแก้เนี่ยไม่มีในวิปัสนานะค <c oughs> มีแต่รู้อย่างที่เป็ น, <c oughs> ปนที่หลวงพ่อไล่ต้อนหน้าต้อนหลังเนี่ยสังเกตดูให้ดีนะมันจะมีอยู่ไม่กี่ประเด็นหรอกรับ <c oughs> แรกสมาธิไม่ถูกปรับให้ถูกซะก่อน <c oughs> อันที่สองถ้าได้สมาธิแล้วนะถ่าหัดเดินปัญญาค <c oughs> ถ้าเดินปัญญาเนี่ยบางทีจิตก็ตึงไปหย่อนไปอะไรเงี้ยต้องปรับใหม่คครับ <c oughs> <c oughs> ปรับได้ถูกแล้วก็จะเดินปัญญาต่อได้เห็นไหมว่าจิตมันมาอยู่ที่หลวงพ่อหายใจซิหายใจแล้วให้จิตกลับบ้านเออหายใจไว้เมื่อนใจเมื่อจายออกไปข้างนอกสมาธิไม่เกิดยังไม่เข้าดูออกไหมเดนี้ใช้ได้ละตรงนี้ใช้ได้ ใช้ได้ตรงไหนใช้ได้ตรงที่รู้ว่าจิตไม่เข้าฐาน<ม>แค่นั้นก็ใช้ได้ละ<ม>เห็นไหมอยู่ที่รู้ทันพวกมาใหม่ๆอดทนหน่อยนะฟังหลวงพ่อเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอย่าพูดแต่พวกใหม่ๆเลยพวกเก่าๆบางทีก็ไม่รู้เพราะอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องการดูแต่ละคนละแต่ละคนจริยนิสัยไม่เหมือนกันกรรมฐานที่เขาทําอยู่ไม่เหมือนที่เราทําเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจเป็นเรื่องปกติ กราบนวัตการครับเ อ, อผมติดคล้ายๆคนที่เคยถามก่อนหน้าเนี้คือไม่มีแต่ไม่มากแล้วล่ะไม่ได้ติดเยอะหรอกคือมันเหมือนครับไม่มีกําลังแล้วก็ทําสมาธิไม่ได้ครับแล้วก็จะขอคำแนะนํำอาจารย์ว่าจ ะ, จะเพิ่มกําลังสมาธิยังไงศีลดีหรือยังก็ยังมีพร่องบ้างครับนะรักษาศีลให้ดีๆแล้วก็มันจะอิ่มอกอิ่มใจให้นมานะ อย่สมาธิมันก็ามาหรือนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงเรื่อยๆเวลาเรากราบพระเนี่ยทงความรู้สึกเวลากราบอยู่แทบพระบาทท่าน ใ, นใจให้มันเคลา้าเคลียในอารมณ์ที่เป็นกุศลไปเรื่อยอย่าสมาธิมันก็ามาถ้ามันมีความสุขแล้วสมาธิมันก็เกิดือตอนดูลมับพุโทโธตอนตอนนี้พุโทโธเขาไม่เอาแล้วครับพอดูลมแบบเดิมมันก็จะหลงไปนั่นเอาใหม่สิมันไม่เอาก็ช่างมันนะเราเอา หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปนะแล้วถ้ามันแน่นรู้ว่าแน่นคืออย่าไปตั้งเป้าว่าจะหายใจเอาอะไรนะแค่ว่าเราจะปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าหายใจเข้าพูทหายใจออกโทรนึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะถ้าตั้งใจได้ถึงสนานที่ว่าวางใจได้ถึงขนาดที่ว่าสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแป๊บเดียวจะสงบนะจะมีแรงตอนนี้แรงไม่พอ จะเรียนถามสภาวะหนึ่งนะครับผมจิตเขาไปเห็นว่าตัวตนคือมันเป็นความจำนะครับแล้วก็มันเห็นว่ามันกลัวที่จะเสียความจำตรงนี้ออแล้วก็เหมือนผ่านไม่ได้คนระัว่าถ้าเราจะทิ้งตรงนี้ไปมันจะทให้เราไ ม, ไม่เราไม่ทิ้งหรอกนะเราปฏิบัติเนี่ยพาจิตให้ดูความจริงไปเรื่อยๆแล้วจิตเขาทิ้งของเขาเอง ไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้นะจิตปล่อยของจิตเองคือมันกลัวก่อนนะว่าถ้าถ้าเราเสียตัวนี้ไปเราก็จะไม่มีความเป็นตัวตนกันไม่มีหรอกรท ำ, <ข>ทำพอยังไม่เสียนะกลัวจะเสียนะถ้าเสียได้เราดีใจทนี้จะผ่านไปยังไงครัรทงถ้าถ้ามันดูของจริงไปเรือยนะแล้วถ้าใจหวั่นไหวใจกลัวรู้ว่ากลัวดูเข้าไปตรงๆเลยรู้ว่ามันกลัว อความกลัวดับไปแล้วใจเป็นกลางขึ้นมาก็ดูรูปนามแสดงใจลักต่อไปถึงจุดหนึ่งมันจะยอมอันใหม่ๆไม่ยอมหรอกบางคนก็กลัวบางคนก็รู้สึกว้าเวยนะบางคนรู้สึกเบื่อนัน้นเป็นกลุ่มของยานนิพพานะอาทีนวญาณอะไรงนันน่ะลืมชื่ อ, อแล้วก็ื่อี้ยงนึกออกแก่แล้วเพราะอย่างเนี้ย <laughs> มีอยู่สามตัวอยู่ในกลุ่มนี้ตอนนี้ก็ปอ รู้ว่าเผลอก็จะไปเพ่งแล้วก็จะ ป, ประคอ ง, ป ร, คองประคองรู้ว่าประคองเผลอรู้ว่าเผล่นะรู้รู้อย่างที่จิตเป็นไปเรื่อยๆแล้วก็ทำความรู้สึกที่ว่าจิตนี้มันไม่ใช่เราหรอกนะมันทำงานของมันได้เองดูในมุมที่ว่าจิตมันทำงานของมันเองไปเรื่อยๆนะถ้าใจมันยอบตรงนี้ใจมันก็สบายกว่านี้เนี่ยเมื่อกี้หลง แต่ว่าอึดอัดว่าบังคับพื้นของพื้นเลยนะ่ยมันบังคับอยู่มันจะเครียดนะใจจะเครียดใจจะกังวลใจใจะไม่สบายอย่ารักดีมากเกินไปไม่ดีก็ได้นะไม่ให้ผิดศีลห้าเท่านั้นแหละทางใจเนี่ยปล่อยให้มันทํางานแล้วมีสติรู้แต่ทางกายเนี่อรักษาด้วยศีลห้าอย่าไปบังคับจิตใจต้องดีตลอด ทำองานอีเคลียดอ้าวของโยมตัดเริ่มการจะวันนี้โยมมีปัญหาอยู่สามปัญหาะะ<ม>ปัญหาก้อแรกคือครั้งสุดท้ายที่โยมได้ถวายรายงานหลวงพ่อไปเมื่อหกเดือนที่และะ้วเพราะตอนนี้เนี่ยครั้งที่แล้วที่ถวายรายงานหลวงพ่อไปว่าจิตมันเข้าไปภาวนาในขณะที่หลับทีนี้ขณะอะไรนะ ขนาดที่หลับนะคะก็ไม่แปลละค่ะแต่ทีนี้ก็คือปัญหาของโยมมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าช่วงช่วงที่ภาวทีิในขณะที่หลับแล้วมันขึ้นมาภาวนานี้มันนานขึ้นมันก็เลยเหมือนกับดูไม่นอนคือขึ้นเหมือนกับดูรูปที่นอนนิ่งๆไปเฉยๆนะคะแล้วก็จะอีกนานกว่าเขาจะพริกแต่เวลาพริกเนี่ยเขาก็รู้แต่ในระหว่างที่เขาดูรูปที่มันนอนนิ่งอยู่เนี่ยค่ะมันก็เกิดคําถามขึ้นมาว่า เขาจะดูอะไรหรือดูข้อรอบตรงนั้นตรงนั้นเป็นสมถะเฉยๆนะคือมันรู้รูปหรือบางทีมก็รู้นามสว่างอยู่เฉยๆนะตรงนั้นเป็นสมถะมันไม่ได้ดูไตรลักษณ์สังเกตไหมแ ต, แต่ตอนที่มันพลิกเนี่ยมันจะรู้สึกนะว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรามันมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นนะตรงนี้ที่มันเดินปัญญา เพราตอนที่จิตมันเป็นสว่างว่างอยู่เห็นร่างกายนอนจิตเป็นคนดูอยู่เฉยเพะฉะนั้นยังเป็นสมถะอยู่ไม่เสียอะไรก็คือคือดูแบบนี้ไปเรื่อยไม่<ด>ต้อง ไ, ไป<ก>ไปก็แค่รู้ทันว่านี่สมถะไม่ได้วิปัสสนาก็เช่านั้นเองแต่สังเกตไหมตอนที่มันคลิกไปคลิกมาไม่ใช่เราแต่นั่นแหละดีแล้วพอออกมาอยู่ข้างนอกเนี้ยรู้สึกไหมร่างกายมันไม่ใช่เราอย่างของโยมนะภาวนานเก่งนะมันเห็นอยู่ได้ตลอดนะ่ะ เห็นย hey, ่บ่อยๆเลยร่างกายมันเป็นเปลือกอะไรที่จิตมาอยู่เท่านั้นเองนั่นแหละจิตมันทรงสมาธิได้ดีมดัเห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้ใช่ได้นะส่วนตัวจิตเราไม่รักษามันเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็เผลอดูเป็นทำงานไปไม่ประคองรักษาจิตนะเขาจะเข้าไปเน้นเน้นรู้ที่ตัวทุกตัวเดียวใช่ได้ ใจรักเอาวันเดียวดูทุกไปแล้วปัญหาที่สองอสำหรับโยนก็คือเวลาที่ปัญญาเกิดก็คือจะเกิดช่วงที่เวลาที่โยฟังฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็เหมือนกับปัญญาเขาก็ตามไปทีนี้ก็จะเกิดเกิดขึ้นมาเห็นว่ า, ามันหมุนอยู่กลางอก mm hmm. ซึ่งเกิดหลายครั้งแล้วแต่ว่า mm hmm. ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดไปไปเพ่งอยู่ตรงที่ว่าทุก มันเป็นวัฏฏะแล้วมันทุกข์มากทุกข์มากแล้วมันก็มีอาการที่บีบพันเพราะบีบพันแล้วมันก็ฝันควรจิตมันก็เลยเข้าไปเพ่งใหญ่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตรงตรงนี้ตรงนี้ถ้ามันเพ่งแล้วเหนื่อยนะทําสมถะไม่มีที่พักอื่นแล้วเพราะสติของเราอัตโนมัติมันทั้งหลับทั้งตื่นมันเห็นองมันได้เองแล้วนะจุดที่จะพักได้เหลืออันเดียวคือสมาธิทําสมถะ เพช่วงช่วงหลังดีก็คือเวลาที่โยมปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยค่ะคือในขณะที่ปฏิบัติรูปแบบเนี่ยเขาไม่ยอมเดินปัญญาเลยเขาจะนิ่งอยู่อย่างเดียวเอออย่างเราก็รู้ว่าเป็นสมถะนะถ้ารู้อยู่ก็ไม่เป็นปัญหาหรอกนะถ้าเป็นนิ่งแล้วก็ดุกที่ดุกทีก็รู้สึกนะแล้วนึกว่าทำพิปัสนานะั่นแหละปัญหาหนักเลยแ ต, แต่คือช่วงช่วงระยะหลังนี้ก็คือเขาไปไปไ ป, ไปเน้นอยู่ที่ตัวทุกข์เนี่ย ก็คือไม่ไม่ไอ้นั่นแหละเดินปัญญ า, าเห็นกายที่เป็นทุกข์เห็นจิตนี้เป็นทุกข์วัตตะที่หมุนอยู่กลางอกนี่เป็นทุกข์นั้นนั่นแะเราดูทุกข์อยู่เราเดินปัญญาอยู่าการนมัสการของพ่อครับคือผมเพิ่งทราบว่าผมติดดีครับอะไรนะคือมันติดดีครับจากที่ทํางานปัญญายของพ่อที่ว่าพอจิตมันรู้ว่า มันเห็นสภาวะแทนที่มันจะจะเป็นอ่าจะไปรู้ทุกข์ครับมันกลับไปเห็นเป็นสุขแทนอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นอะไรเป็นสุขนะคือเหมือนกับว่าพอสมมติว่าเห็นเห็นสภาวะแทนที่มันจะรู้ว่าไอ้สภาวะอันนั้นหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันมันมันมันเป็นทุกข์แต่มันกลับไปจําว่าคือมันกลับไปพอใจในในในสิ่งที่เห็นเหมือนกับมาสร้างพอพอใจในสิ่งที่เราไปเห็นหรือว่ามันมีความสุขเกิดที่จิตที่เป็นคนไปเห็น เพราะน่าจะเป็นพอใจในสิ่งที่ไปเห็นมากกว่าครับเออมาแปลกนะ <c oughs> คือเหมือนกับว่ายกตัวอย่างได้ไหม <c oughs> คือเหมือนกับว่าสมมุติว่ามีครั้งหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ครับแล้วแล้วมันเห็นว่าคือจิตที่มันไหลไปเนี่ยมันเห็นว่ามันมันเกิดมาจากสัญญาขันต่างๆสัญญากับสังขารอะไรเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยพอพ อ, พอมันพอมันรู้ไปแล้วแว๊บหนึ่งครับมันก็เหมือนกับว่า เออเรารู้แล้วแล้วพอครั้งครั้งถัดไปวันถั ด, ถดไป ท, ท, ท, ท, ท, ที่ที่ที่ที่ที่ทําภาวนาอีกแล้วมันไม่เห็นสภาวะเดิมเดิมหรือว่าอาจจะเกิดสภาวะเดิมเดิมแต่มันไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับมันรู้ไปแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนกับว่าเอ้วันนั้นมันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรเงี้ยครับก็ถูกแล้วละ่ะมันมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่ ง, งานยังอะไรนะครับมีเมียหรื อ, อยังแต่งงา น, นครับเออแต่ใหม่ใหม่เขารู้สึกมีความสุขใช่ไหม พออยู่นานๆมันก็อุเบกขานะมันก็แบบเดียวกันเลยแต่ก็มันเคยเห็นแล้วอะ่ะไปเห็นอีกมันก็ไม่ตื่นเต้นสินะเราไปตอนที่ปัญญาปเปิดนะตอนที่ปัญญาเกิดเนี่ยจิตมันมีความสุขขึ้นมาด้วยนะมันร่าเริงมันเบิกบานแต่พอไปเห็นซ้ำเนี่ยนะมันไม่ใช่ของใหม่นะ จะเห็นมีในหน้าตื่นเต้นเป็นปกติหรอกเป็นอย่างนั้นทุกคนเลยบก็คือต้องเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆทุกอย่ น, นีใ้ใช่ไหมเราไม่ได้เจตนานะครับเขาเห็นของเขาเองแล้วใช้ได้<ร>ไม่ต้องจงใจย้อนกลับไปดูแล้วจะต้องเกิดความสุขเกิดปีติเกิดสว่างอะไรแบบเก่าไม่จําเป็นเลยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่มันจะมีคิดหมายถึงว่าครั้งหลังๆครับมันจะกลับมาคิดมันก็มีวิตกเอตรงนั้นนะให้รู้ถันว่าฟุ้งซ่านเลยขณะนั้นฟุ้งไปแล้วคิดถึงอดีตไปแล้ว สภาวะที่เคยเจอนั้นจบไปแล้วไม่รู้ทันปัจจุบันเราเพราะเห็นนี้ด้วยหรือเปล่าครับที่มันเหมือนกับว่ามันไม่ยอมรับว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ยอมง่ายหรอกถ้ามันยอมง่ายผ้าละหันเต็มเมือง <c oughs> กว่าจ ะ, จะยอมนะดูแล้วดูอีกอยู่นั่นแหละแล้วหลวงพ่อมีอะไรเมตตาแนะ น, นาเพิ่มเติมไหมภาวนาไปสบายๆ ไ, ไม่รีบร้อนนะอย่าว่าจะเอาผลเร็วๆ อยายามดูไปเรื่อยๆไม่ไม่ไมทอด ท, ทิ้งจะได้ผลเมื่อไหร่จะบรรลุเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรารทำใจแบบนี้นะเราภาวนาสบายถ้าภาวนาเพื่อจะเอาเป็นโลภะถ้าภาวนาเพื่อจะภาวนามีความสุขกับการปฏิบัติทุกวันทุกวั น, วนถือว่าปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าไม่ได้อยากได้อะไรนั่นมันเป็นฉันทะนะคือมันพอใจที่จะทาเหตุไม่หวังผล ถ้าขี้เกียจทําเพจหรือรีบลุกรี้ลุก ล, กลนทําเพจเพื่อจะเอาผลนะไอ้นั้นไม่ได้เลยบางทีมันเหมือนกับกลัวว่าจะไปอบายเนี่ยครับเออไม่ต้องกลัวมีสติอยู่ไม่ไปอบายหรอกเพราะว่าโดยพื้นฐานเราเหมือนกับคืออะไรนะโดยพื้นฐานส่วนตัวเราครับจิตมีโทสะครับไม่เป็นไรอย่าให้ผิดศีลห้ารักษาศีลไว้ไม่ไปอับอายครับแล้ว อ, อ, อีกอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมครับคือปกติจะนั่งภาวนาก่อนนอนนะครับ แล้วทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งคือพอพอ ล, ลงล้มตัวลงไปนอนแล้วครับมันมันไม่หลับนะครับมันจิตมันเหมือนกับมันตื่นเออแบบกตที่นะเราเราต้องทำยังไงต่อไม่ต้องทําอะไรก็ต้องทําใจว่าโอ้โหบุญแท้ๆเลยวันนี้ได้ภาวนาโตรุ่ง <c oughs> <c oughs> ถ้าวางใจอย่างนี้นะแป๊บเดียวหลับเลย <c oughs> <c oughs> ถ้าตายระหว่าไม่หลับคือจ้างก็ไมนะ่หลับนหลวงพ่อไม่เดือดร้อนเลยเมื่อกี้นอน นล้จิตมันไม่ลงระวังจิตมันส่งสมาธิเออไม่ส่งก็ส่งไปเรื่องของมันมนักกษาอาจารย์ค่ะก็ปฏิบัติมาฟังซีดีพระอาจารย์นะคะมาได้ห้าเดือนนะคะก็ค่อยๆเริ่มเห็นโลภะโทสะมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทันบ้างไม่ทันบ้างนะคะแต่ก็จะติดเพลงทําบ้างไม่ทําบ้างทันทันโลภะโทสะคือทีหลงไปแล้วก็เอามารู้ทันทีแบบคะ่ะ แต่ว่าปฏิบัติทุกวันใช่ไหมทำสม่ำเสมอนะหอวงพ่อได้ยินบูตึงแล้วได้ยินว่าทำบ้างไม่ทำบ้างคํเนี้แสลงใจมากเลยต้องทำสม่ำเสมอนะแล้วไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนแต่ว่าไม่ขี้เกียจทำไปเรื่อยๆถึงเวลามันได้เองการภาวนามันคล้ายๆเราทำงานศิลปะคล้ายๆงานแกะสลักไม้ มีไม้จันอย่างดีแกะพระพุทธรูปใจเย็นๆค่อยๆแกะได้ใจร้อนเดี๋ยวพระจะมูกแหว่งกรรมฐานก็เหมือนกันไม่รีบแต่ไม่เลิกโดยพื้นฐานที่ฝึกใช้ได้นะแต่จิตตอนนี้ถึงฐานไหมหรู อ, ออกไหม<ต>ถึ ง, ถงไห ม, ไมแต่อุต่เ่งติดเพ่งบ่อยเออเพ่งนะจิตตรงนี้ไม่เข้าฐานนะจิตตรงนี้กระจายออกไปถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไม่เข้าบ้านก็ใช้ได้ ขอคแนะนําพระอาจารย์รู้ทันจิตไปเมืจิตไม่เข้าฐานรู้ว่าไม่เข้าฐานจิตเข้าฐานแล้วก็รู้จิตสุขจิตทุกขจิต ด, ดีจิตชั่วเห็นเขาทํางานของเขาไปเรื่อยไม่ใช่เราสักอันเดียวไม่ค่อยมีพลังที่ฟุ้งแล้วก็ไม่ค่อยมีพลังงานถ้าฟุ้งไม่มีพลังนั้นจิตถึงต้องเข้าฐานก่อนคือจะมีกําลังแต่อย่าดึงนะอย่าดึงให้เข้าให้รู้ว่ามันไม่เข้า เราทากรรมฐานไปด้วยการรู้ทันว่าจิตมันไม่เข้าเราไม่ว่ามันเดี๋ยวมันเข้ามาเองถ้าจงใจดึงเข้มามาจะแ น, น่นจะเป็นแบบทางนี้พวกนี้ยดึงไว้ลาบลาบนะ้ำมัสการหลวงพ่อครับ อ, อผมปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกยังไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนนะครับฟังซีรีโนมทนานะถ้าไม่เคยปฏิบัติจะเรียนง่าย รู้สึกไหมว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันรู้สึกบ้างอย่างพอจะรู้สึกเป็นครั้งคราวถูกแล้วรู้สึกตลอดแสดงว่าจงใจรู้สึกไม่ใช่ของจริงรู้สึกเป็นคราวๆรู้สึกไหมว่าความรู้สึกกับจิตใจก็คนละอันเห็นไหมว่าความรู้สึกทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปตัวนี้นดูออกไหมเห็นครับ อ, อ, อย่างนั้นเลยภาวนาเป็นก็ทําทไปเรื่อยๆทําสม่ําเสมอครับขอคาแนะนำหลวงพ่อครับว่าควรจะทํำยังไงต่อเพราะว่า สภาวะธรรมที่ญาติธรรมคนอื่นพูดเนี่ยผมยังไม่เคยเจอไม่เป็นไรครับทางใครทางมันนะไม่ใช่ว่าเราภาวนาสู้เขาไม่ได้นะมันคนละทางกันเหมือนจะขึ้นภูเขา ข, ขึ้นคนละทิศมันก็ขึ้นยอดเขาเดียวกันแหละชริน <ะ S 2> นิสัยไม่เหมือนกันแล้วที่ปฏิบัติมาพอจะถูกต้องพอใช้ได้นะขันมันแยกแล้วล่ะ ขันมันยังได้ต่อไปนี้รู้ขันที่มันทำงานแต่ละขันนะทำงานไปเรื่อยรู้ด้วยใจสบายๆนะแต่ตอนนี้ใจอยู่ข้างนอกรู้สึกไหมรู้สึกครับตอนนี้ตื่นเต้นมากเออนะใจมันผิดธรรมชาติันะตื่นเต้นแล้วเรากดเอาไว้นะใช้ได้ดีที่รู้เหลือสองคนมิสการหลวงพ่อครับ ที่ผ่านมาก็จะภาวนาเน้นการดูจิตนะครับส่วนใหญ่ก็จะหลงอยู่ในความคิดอยู่ก็คือเราสนนัติดพบนะครับคิดแล้วก็ไปคิดแล้วก็ไปตัดสินอะไรเสร็จสรรใช่ไหมครับทีนี้ก็แล้วบางทีก็มีกุศลบ้างอากุศลบ้างเข้ามาก็มีความรู้สึกอยู่เนึองๆนะครับจะเห็นชัดขึ้นบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนกายนี่ก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่จําเป็นเลยนะครับ ถนัดดูจิตดูจิตไปเลยครับกายเป็นแค่ของแถมเท่านั้นหลวงพว่อก็หัดทีแรกหลวงพ่อดูแต่จิตนะแต่ว่ากายเนี่ยมันรู้มันรู้ของมันเองเคยถามหลวงปู่ดุลุงปู่ครับไปที่ไหนที่ไหนนั่นได้ยินครูบาอาจารย์องค์อื่นนะ่ะสอนคนทั่วทวไปนะให้พูดโธพิจารณากายผมจะต้องพิจารณากายไหมท่านบอกครับพิจารณากายเพื่อให้เห็นจิตนะ่ะก็เห็นจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งๆไปเลย แล้วบางทีก็มีเพ่งบ้างนะครับมันจะมีความรู้สึกมันจะมีความรู้สึกที่หนักๆบ้างนะครับแล้วก็ก็จะมีและและส่วนใหญก็จะหลงไปไม่แน่ใจว่าที่ที่ภาวนาอยู่หรือที่ปฏิบัติอยู่นี่ไม่ทราว่าคิดไปเองหรือว่าภาวนาถูกแล้วละ่ะภาวนาดีนะทําให้สม่ําเสมอทุกวันทุกวันว น, นะดีถือศีลไว้แล้วก็ปฏิบัติไปมีอะไรแนะนําก้าวหน้าขึ้นมามากแล้วละ่ะ พัฒนาได้เร็วด้วยซ้ำไปรู้สึกตัวไหมมอนเปลี่ยนส่วนใหญ่มันก็างคือบางทีมันก็จะคิดไปนะครับเลยบางทีไม่แน่ใจว่ามันมันมันหลงหรือเปล่าหรือว่ามันคิดก็คิดสิคิดแล้วรู้ทันว่าหลงไปคิดก็ได้ไม่ได้ห้ามนะถ้าห้ามห้ามหลงห้ามคิดนี่ไปกันใหญ่เลยมันคิดไปเถอะแล้วมันก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเราก็รู้เอา เราก็เห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วก็ดับไม่เห็นเป็นไรเลยตัวนั้นแหละเดินปัญญาแล้วแม่อยอมให้คิดเลยนั่งซื้อบื้อไปทั้งวันนะไม่มีปัญญานะปัญญากับฟุ้งซ่านนะหลวงพ่อพุท ธ, ธานิยมเดยสอนหลวงพ่อปัญญากับความฟุ้งซ่านนะคาบเส้นกันนิดเดียวความฟุ้งซ่านคือจิตมันทํางานไปนะไม่มีสติแต่ถ้าจิตมันทํางานไปแล้วมีสติรู้เท่าทันไปได้ล้วมันเดินปัญญาอยู่ไม่จะไปกลัวมัน แลอย่างเวลาเราภาวนานี่จะต้องจําเป็นที่จะต้องเราให้จิตมาถึงฐานก่อนเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ผมาใจว่าไม่ถึงรู้ไม่ถึงนะไม่ถึงรู้ว่าไม่ถึงไม่บังคับให้ถึงนะที่หลวงพ่อสอนเรื่องจิตถึงฐานนะเพื่อให้หันแยกให้ออกนะจิตมันหลงไปหรือเปล่าหรือตอนนี้มันเริ่มรู้ขึ้นมาถ้ามันรู้อย่างที่มันเป็นแต่เพาะมันเป็นตอนนี้ไม่ถึงฐานก็ใช้ได้แล้วซึ่งก็คือว่าไม่ไม่ต้องไปสนใจมันใช่ไหมว่ามันจะถึงหรือไม่ถึงไม่ต้องอยากนะ แต่ถ้าเรารู้ทันว่าไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ถึงเองแต่ถ้าอยากให้ถึงจริงๆก็เข้าฌานเข้าฌานที่ถูกนะถ้าเข้ามิจฉาสมาธิไม่ถึงเลยถ้าถึงเข้าถึงฌานที่สองเนี่ยคราวเนี้ยตัวรู้จะเด่นดวงทั้งวันเลยขออากาศนะครับนี่อยู่จังหวัดไหนแน่เนี่ยอยู่จันทบุรีครับหน้นาาเสียไปที่ภาคเหนือก็เจอไปที่ไหนก็เจอ เจอไปถึงเชียงรายเออรู้สึกว่ามันเพ่งไม่เลิกครับทำยังไงดีครับคำว่าทำนะรู้ส่รู้อย่างที่เป็นครับถ้ามันเพ่งมากมากนะเอาพลังของการเพ่งนั้นมาฉีกร่างกายตัวเองดูไม่แยกร่างกายมัเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยสนุกดีนะครับครับได้ครับจะลองไปทำดูครับ <laughs> เวลาสมาธิมันแรงนะเราก็ใช้งานมันไปมันคล้ายๆเราชาร์จแบตไว้จนโอเวอร์แล้วใกล้ระเบิดเอามันมาใช้ใช้ด้วยการพิจรารณกายดู ก, กายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกเป็นส่วนๆไปแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ย แล้วพอใจมันพอดีพอดีแล้วเดี๋ยวมันกลับมาดูจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้อีกงานการภาวนาก็วนเวียนอยู่ที่กายกับจิตนี่แหลนะเวลาสมาธิมากๆนะแล้วเราดูกายเนะี่ร่างกายระเบิดหายไปบ้างไฟไหม้ไปหมดบ้างนะหรือบางทีจิตรวมลงไปร่างกายหายไปเฉยๆไม่มีระเบิดเหลือแต่จิตดวงเดียว กเหลือแต่จิตดวงเดียวแล้วต่อมาพอจิตถอยออกจากสมาธิมันจะเห็นชัดเลยว่ากายกับจิตเนี่ยโค่ล้านกันตั้งแต่วันนั้นวันที่จิตรวมเข้าไปจนถึงว่าโลกหายไปร่างกายหายไปวัตถุไม่มีนะตั้งแต่วันนั้นนขันมันจะแยกอัตโนมัติเลยไม่ต้องกังวลเรื่องขันจะมารวมอีกเลยเพราะมันเคยเห็นแล้วกายกับใจโคนล้านกันหาพ่อนาไปสนุกดี ครับก็ในช่วงสุดท้ายนีครับก็คือการถวายปัจจัยเทรรมแต่หลวงพ่อนะครับขอพวกเราทุกคนนะครับกล่าวตามแล้วก็ตั้งจิตนะครับเหมือนถวายท้่ตัวเองนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายา เ, าเครื่องปัจจัยไทยธรรมททพร้อมทั้งสิ่งของขอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่หลวงพ่อปลาโมทปราโม ท, โ, มทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรั บ, พรบเพื่อประโยชน์และความสุ ข, พพสขเพื่อมรักผลนิพพา น, พก น, านแก่ข้าพเจ้าและสรัรพสัตทั้งหลายาาตาบสินนบส้นกาลนานเทิปั จ, จัจเอาไปนะหลวงพ่อ ขอแต่พวงมาลัยไว้ไหว้พระก็แล้วกันข้าของกับเงินให้โรงพยาบาลทำบุญโรงพยาบาลรับพรยถาวาริวหาปูราปริปูเรนตีสาคารังเอวาเมวาอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังจิ ป, ปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปา จันโทปัรนรสยถามณีโชติระโสยถาสพีติโยวิวัตชันตุสภโรคโควินัสตุมาเตพวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวะอาภิวาธนาศีลิสนิจจังุทธาปจายิโนจตารโธรมาวทันติอายุวัโนสุขังพระลัง